นั่นจริงพว mm hmm. เราก็มีเครื่องอัดที่ดีอยู่แล้วนะไม่ต้องใช้ฐาน ม, มีอยู่ติดตัวอยู่ตลอดเวลา <c oughs> แต่เก็ชอบใช้กันไอ้ที่อันนี้มันเพื่อคนที่ทามไม่มาเส น, นะ <c oughs> คนมามันต้องอัดเข้าไปในใจเรามันจะได้ประโยชน์ทันทีทันใดบางทีมัวมัวแต่กังวลกับเรื่องอัดอย่างเงี้ยเวลาฟังก็เลยไม่ได้อัดเข้าไปในใจ วาใจมันเป็นมัวกังวลอยู่ว่าอาจติดไม่ติดนด้ของตรวจก็ไม่ชอบชอบเราของของแห้งเลยใช่แน่นอนแต่อยากไปอยากไปกังวลมันแค่ว่าพอมาถึงก็าตั้งมันแล้วก็แล้วกันไปติดก็ติดไม่ติดกค่เรื่องของมัน เราอาัดเข้าในใจเราก่อนดีกว่าส ม, มัยพระพุทธการเพราเขาไม่มีเครื่องอัดกันเขาก็ใช้อาตัวเรานี่แหละอัดไปแล้วเราก็เอาไปไปบอกไปเล่าคนอื่นต่อทีใช่ไหมสมัยที่พระพุทธเจ้าแต่สัยนี้ก็มีองค์แรกองค์เดียวในด้านช ง, งแสดงธรรมใหก้กับพระบรรจงทาคือว่บรรลุห้าลูปเขาก็เอาเอาที่เขาอัดไว้ในใจเราเนี่ยเอาไป เขไปเปิดให้คนอืนฟังต่อคนอื่นฟังเขาสะอาดไว้ในใจเขงเขาก็ต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่พวกเราเนี่ยต่อไปจะไม่มีอะไรเหลือเชื่อเกิดไม่มีสงครามไม่เกิดมีอะไรขึ้นมาของวันนี้ใช้ไม่ได้หนี่จะไม่มีงานเหลือหรือลยแต่ถ้ามันมีในใจของเราแล้วมันต่อให้ไปเกิดชาติหน้าพบหน้ามันก็ยังติดไปเรื่ย แต่ถ้ามันอยู่ในพวกนี้เกิด ม, มีสงครามลุกขึ้นมามันมันร้างเผากันเครื้งยงไปหมดเลยต่อมันไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรที่จะใช้ต่อให้มีเครื่องก็ <c oughs> ก็เปิดไม่ได้หรือแม้แต่นังสือที่ไว้น า, นานก็กลายเป็นกลายเป็นฝุ่นไปหรือภาษามันเปลี่ยนไปแต่ถ้ามันอยู่ในใจแล้วมันสามารถที่จะ <c oughs> ถ่ายทอดกันได้เสมเอนาลาธรรมธรรมะจากจากคนเนี่ยมันถึงเข้าใจง่า ย, ายกว่าจากกอ่านหนังสือธรรมะเพราะว่ามันถ่ายแบบสดๆนอนๆก็พูดถึงพูดภาษาเดียวกันง่ายสมัยนี้อ่านพระไตไปิฎกอ่านเรื่องเลยคนรัศสาแล้ว มันเป็นภาษาไทยแต่เป็นราชาศัพท์เป็นบาลีอ่านแล้วต้องมาแปลกันทีนั้นเวลาเราฟังธรรมของเราเอาเอาใจเราเนี่ะเป็นตัวอัดวนะิธีฟังธรรมท่านก็นสอนว่าให้ฟังด้วยสติด้วยความตั้งใจไม่ต้องไปกังวลกับเรื่ององื่น มีหน้าที่รับฟังอย่างเดียวฟังไปแล้วก็พิจารณาตามไปถ้าเราเข้าใจเราก็เราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปก่อนแสดงว่าเรายังไม่เรายังไม่มีปัญญาพอที่จะเกิดความเข้าใจได้ฟังไปอีกหลายๆลครั้ง ก็ก็จะเข้าใจไปเองเหมือนกับเวลาเราบอกอะไรกับใครสักคนบางคนพูดคําเดียวเขาก็เข้าใจบางคนก็ต้องขยายความต้องอธิบายหลายหลายครั้งก็ถึงไม่เข้าใจอย่างบอกทางเนี่ยบางทีบอกคนบางคนที่เขาฉลาดบอกไปเบอร์นี้เบอร์นี้แค่นี้ก็พอละแต่ถ้าอีกคนหนึ่งเบอร์นี้เบอร์นี้อยู่งไหนก็ไม่รู้ ต้องขยายว่าวันนี้ชื่อชื่ออย่างนี้ขุข่นฤทิ <c oughs> ์ก็หนูบางทีบางทีก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนไม่เคยสนใจศึกษานั่งอยู่แต่ในรถมีคนก็พาไป <c oughs> ตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยบางทีนั่งรถไป <c oughs> แสดงว่าไม่ไม่สนใจศึกษา ไ ม, ไม่มีใครเขาห้ามเราเนี่ยเราศึกษาไนดะ้เราเดินทางไปไหนเนี่ยเราคอนสังเกตดูป้ายดูอะไรนี่ถ้าเราไม่รู้เราก็ถามคนที่เาราเีไนว่าตอนนี้อยู่ทางไหนแล้วทำรไมุขถ น, นนอะไรรที่นี่เลี้ยวมาจากถ น, นนะอะไรถ้าตอบไปเราก็สามารถมาเองได้ไม่ต้องให้คนอื่นพามาถ้าชอบนั่งหลับในรถสบายตาขอให้พอขึ้นรถก็หลับตาตอ พอลืมใจก็ขอให้ลงใจก็ได้เลยนี่ก็เป็นเหมือนกับพวกพวกพวกหมูพวกพวกไก่ที่เขาจะจับไปเชื่อดพอไปเถงลงเชื่อกก็ต้อนลงเนี่ยคือปัญญามันต้องคอยมีความสำเนียกต้องคอยศึกษา มันเป็นการมันเป็นการสึกฝนอบรมไตในตัวออกไปเวลาได้ยินคำ้าไม่เข้าใจมันจะต้องจำไว้แล้วก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมบางทีก็ไปเปิดในพจนานุกรมดูหนถ้ามันเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับทางธรรมะก็อาจจะต้องไปหาผู้รู้ให้เขาช่วยอธิบายให้เข้าใจข้อหน้าตามันไม่ได้เป็นปริศนาอะไรเลย ปิศนาอยู่ที่ใจเราทำไมใจเรามันมืดบอดแล้วไม่ค่อยสนใจต่อการศึกษาหาความรู้หาแสงสว่างคือมันขี้เกียจเน่ทั้งเกดหรือคนที่ขี้เกียจอรียหนังสือก็ไม่สามารถที่จะเรียนได้สูงแล้วก็ไม่เจริญก้าวหนะ้าคนที่จบมสามจบม ปอชอะไรพวกนี้ก็ทํางานได้ในระดับหนึ่งอยคนที่ขยานเรียนจบปริญญาเขาก็ทํางานระดับนึงเพราะเขามีความขวนขวายเขามีวิริยะความภาคเกียรตที่จะศึกษาหาความรู้พอเวลาไปสมัครงานเขาก็จะมีการทดสอบดูพูนความรู้ของเราสอบสัมภาษณ์เรา คุยกับเราเขาก็รู้ในระลังเรามีควา ม, ามานี้มากอยเพียงไรเพราะฉะนั้นอย่าไปอาศัยอะไรภายนอกมาพีะพุทเจ้าสองสอนให้ใช้อัตตาหิอัตนโนนาเถิดตนเป็นที่พึ่งของตนอาศัยผู้อื่นเพียงแต่ในระยะเรื่องต้นหรือให้เขาบอกสอนเราในสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนเช่นเราต้องอาศัย เรื่องเรื่องต้นก็เกิดมาอาศัยคุณพ่อคุณแม่ตลังนี้เราทําอะไรต่างๆให้รู้จักพูดหให้รู้จักทําอะไรเมื่อโตขึ้นไหน่อยๆก็อาศัยคุณครูที่โรงเรียนแล้วก็อาศัยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเมื่อจกดแล้วทํามา ก, กินแล้วมีเงินมีทองแล้วทีนี้ก็เริ่มสนใจทางด้านจิตใจ คามสุดทางด้านสุดใจที่เกิดากการศึกษาเรียนธรรมะก็ต้องอาศัยครูอาจารย์ครูอาจารย์ก็มีสองรูปแบบหนังสือพระไตรปิฎกหรือหนังสือธรรมะต่างๆที่มีอยู่เกื่อนกันีมดเราสามารถอ่านหาความรู้ได้หรือถ้าเรามีโอกาสได้เข้าปะกับครูบาอาจารย์ที่เก่งที่ฉลาดนะคะเราก็ ศึกษาจากท่านไปเมื่อเราศึกษาแล้วท่านต่อไปเราก็ยังต้องนําไปปฏิบัติวิธีศึกษาที่ดีเที่ยุก็คือควา้าตั้งใจฟังเราไม่ต้องอาศัยสื่อต่างๆเป็นเครื่องมือเพราะส่วนใหญ่มันอ่านไปแล้วก็ไม่ได้ไปฟังอ่านไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปอ่านใหม่ไปเรื่ยงัวแต่คอยอา่านไปเรื่อยอ่านแล้วก็เอาไปแจกเขา ตัวเองก็ไม่มีเวลามานั่งฟังซึ่งฟังแล้วเราเอาไปปฏิบัติดีกว่าคือการเผยแพร่ก็ดีแหละแต่ก็ต้องรู้จักะมาณในเบื้องต้นเราควรที่จะช่วยตัวเราเองก่อนสอนตัวเราเองก่อนให้ให้หลุดพ้นด้วยว่าให้ให้ให้สบายก่อน ให้สามารถถึงตนเองได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนเองได้การช่วยเหลือผู้อื่นที่ดีที่สุดก็ช่วยเหลือแบบพระพุทธเจ้ากับพระสาวกเนีย่ยคือท่านศึกษาและปฏิบัติก่อนจนกระทั่งท่านเข้า อ, อกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้จิตใจนั้นอยู่เหนือความทุกข์ เรื่อมันมันเข้าใจมันอยู่ในใจนะมันก็มันเหมือนเหมือนกับภาษาภาษาที่เราเรียนจากคุณพ่อคุณแม่มันก็ฝังลึกอยู่ในใจของเราสอนภาษาไทายทเราสอนได้สบายใครถามอยากจะเรียนรู้เนี่ยเาสอนได้โดยที่เราไม่ต้องไปอ่านหนังสือภาษาเรียนจากคุณพ่อคุณแม่จากการได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ใช้มันได้พูดมันมันก็กลายเป็นความรู้ประจําตัวเรามา ธรรมะข้แบบเดียวกันไปอยู่กับครูบาอาจารย์นี่ก็ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติท่านสอนอย่างไรท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นท่านสอนที่ดงขวัตท่านก็ปฏิบัติที่ดงขวัตใช้นอตตาส่วนอย่างนี้ก็จะบินสบายชันนี้เดียวชั้นในบาทแล้วก็มีอย่างอื่นนี้ตแต่พระองค์จา สมาทาแล้วการวิถีชีวิตก็อยู่แบบตามตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่แบบเียง่ายไม่ให้มีเรื่องราวอย่างอื่นเข้ามารบ ก, กวนจิตใจไม่ขึ้นตนเองวะต่างี้ทันเน้นเรื่องความเรื่องพื้นฐานจริงๆคือไม่ให้มีอะไรเลยให้อยู่กับธรรมชาติ <c oughs> ไม่ต้องมีไฟฟ้าไม่ต้องมีน้ําประปามีสระน้ํามีบ่อน้ําก็สามารถที่จะอาศัยได้ละแต่วันนี้ไม่มีสระก็ไม่มีบ่อนก็ไม่มีก็อาศัยต้องรองน้ําฝนฝนตกก็ต้องของยันออกมารองแต่มันอยู่แล้วมันสบายอยู่กับธรรมชาติ มันไม่มีปัญหามากเหมือนกับอยู่กับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเช่นไฟฟ้าพอมันมีไฟฟ้าแล้วมันก็นมีเรื่อง่ยตามมาแล้วเราก็ไปยึดไปติดกับเรื่องต่างๆที่มาของไฟฟ้าสมัยก่อนเขามีไฟฟ้าไเพื่อให้แสงสว่างต่อมาก็เครื่องอํานวยความสุขความสะดวกทั้งหลายก็ตามมา มีตู้เย็นมีเครื่องปรับอากาศมีพัดลมมีเตาไฟฟ้ามีที่อาบน้ำอุ่นมีแล้วก็มีเครื่องบันเทงต่างๆวิทยุโทรทัศน์เครื่องเสียงจนกระทั่งมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเด็กที่เกิดมาในสมัยนี้เลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยสี่คือเกิดมาเมื่อมันมี ก็คิดว่าจะต้องมีันก็เลยต้องพยายามหามันมาโตขึ้นแล้วพอย้ายออกจากบ้านไปมีบ้านของตัวเองก็ต้องไปหาที่ขอเาิานี้มาแล้วก็สร้างภาระให้กับตัวเองในการดิ้นรนขวนขวายหาทรัพย์หาเงินหาทองแล้วก็มาวุ่นวายมาดูแลรักษามากังวลความสุขได้เพียงเล็กๆล็กน้อย ในขณะที่ได้สัมผัสมันอต่ส่วนใหญ่เมื่อได้มาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ตั้งมันไว้อย่างนัน้นนานจะดูมันสักทีจะฟังมันสักที <c oughs> แล้วก็วนหาความสุขหาความสุข ท, ทั้งที่ตัวเองก็มีเครื่องอาํานวยความสุขเต็มไปหมดแต่มันเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอื่นความพอนั่นเอง ถารับประทานอาหารก็เหมือนกับรับประทานลม mm hmm. เช่นเราหายใจเข้าไปอย่างเดียวไม่กินข้าวความจริงลมลมที่เราหายใจเข้าไปก็ถือว่าเป็นอาหารได้ชนิดหนึ่งถ้าเรากินแต่ลมหายใจมีแต่ลมเข้าไปในร่างกายอย่างเดียวมันก็ไม่ทำให้ร่างกายเราอิ่ม mm hmm. ในความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราสร้างสรรค์กันขึ้นมา มันก็ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอกับเราไม่ได้ให้ความความสุขไม่ได้ให้ความมั่นคงกับจิตใจสร้างความสร้างความอ่อนไหวให้กับจิตใจพอเวลาเกิดอะไรขาดไปเพียงชือวคร้าไปนั้นก็วุ่นวายกันทั้งบ้านทั้งเมืองไฟฟ้าดับทีนี้ก็วุ่นวายปัปหมด น, น้ำประปาไม่ไหลนี้ก็ลาบากกันไปหมด ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้ความจริงของชีวิตแลาวว่าเป็นยังไนแต่ถ้าเราได้ไปเจอครูบาอาจารย์ได้เจอพระพุทธศาสนาท่านก็นจะสอนเน้นไปทางความเรียกง่ายทางด้านการของชีพการดำเนินชีวิตหรือให้ให้รักษาชีวิตให้อยู่ไปได้วันวันหนึ่ง แบบที่สะดวกที่ง่ายที่สุดยือตามอัตภาพตามมีตามเกิดไม่ต้องไปมีอะไรมากมายเกินความจาเป็นไฟไม่มีก็ไม่ตายน้ำประปาไม่มีใช้ก็ไม่ตาย <c oughs> แต่น้ำต้องมีไฟก็ต้องมีแสงสว่างก็ต้องมีแต่วันหนึ่งล้วก็มีต้อง12ชั่วโมงก็พอเพียงทำไมล้าต้องมีไฟตอนคืนด้วย ถ้ามีเราก็อาศัยฐานเทียนได้เทียนมีคมไฟสมัยโบราณพระธุ ด, ดงท่านก็มีคมคมทําด้วยผ้ากคมๆเรามีเทียนตั้งอยู่ข้างในเวลาท่านจะเดินไปไหนมาไหนตามคืนสมัยก่อนท่านก็ใช้จุดจุดเทียนแล้วก็ถือคมไปเดินไปก็พอเห็นทางพอทําอะไรได้ แต่ส่วนใหญ่พระปฏิบัติจะไม่ค่อยอ่านหนังสือกันเท่าไหร่โดยเฉพาะเวลาตอนกลางคืนเพราะไม่จําเป็นหนังสือนี้อ่านเฉพาะช่วงกลางวันก็เหลือเกินละถ้าอยากจะอ่านถ้าปฏิบัติลังรูปท่านอ่านหนังสือให้เป็นก็ยังมีแล้วท่านก็ บ, บรรลุเป็นพระอรหันต์กันเพื่อยังมีเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องอ่านมากมาย ก, ก่อนก่อนใจติดขาก็มีแค่สามท่านเอง มี ส, สมาธิปัญญาก็ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ถ่ายทอดห้อยู่เสมอตั้งใจฟังมันก็เท่ากับได้ได้อ่านหนังสือคนสมัยโบราณก็าถึงไม่ค่อยอ่านออกเขียนไม่ได้กันแต่เขาอาศัยการการจดการจำการฟังคนสมัยโบราณรู้สึกว่ามีความจําที่ดีสี้ยก่อนเขาเขาท่องเขาตาปิดหลได้ทั้งเล่มทั้งเล่ม แสดงว่าความจำมันดีมากมนุษย์เรามีสิ่งที่ดีในตัวเราแต่เนื่องจากว่าเราไปไปเอาใจสิ่งภายนอกมาทดแทนของดีในตัวเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสออกมาแสดงคือของพวกนี้ถ้าเราไม่ใช้มันมันก็เป็นหมมีดที่ปล่อยที่มนันแล้วมันก็มีสนิมเกาะมันก็ไม่สามารถเอาไปใช้อะไรได้ มี่ต้องใช้อยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อใช้เราก็ต้องคอยรับมันอยู่เนื่อยๆเมื่อรับมันก็จะคมหลายเราที่มีสัญญาความจำํำมีสังขารความคิดปรุงที่จะคิดไปในทางปัญญาสติปัญญาสัญญาสังขารนี้เป็นตัวที่ประกอบที่จะทําให้เราสามารถจําความรู้ต่งางๆได้าสามารถขยายความรู้ต่างๆให้กวา้างใหญ่ไพศาลขึ้นไปจนแบบไม่มี ไม่มีไม่มีขอไม่มีเกตอย่างที่พระเจ้าทรงตัดไว้ว่าเคยถามถาพระพทธองค์ทงหยิบใบไม้ขึ้นมากํามือหนึ่งแล้วก็ถามพระว่าใบไม้ที่ถาคตืออยู่ในมือ น, นี้กับใบไม้ที่อยู่ในป่านี้อันไหนจะมากกว่ากันพระพิสุได้ตอบว่าก็ในป่าของพราะในกรรํามือของพระองค์ก็มีเพียงไม่กี่ใบพระพุทธองค์ทรงตัดว่า คำสอนที่เราสั่งสอนพวกเธอนี้ก็เป็นเหมือนกับใบไม้ที่อยู่ในมือเรานี่แหละความรู้ที่จิตใจคือสังขารความคิดปรุงของเราที่สามารถพิจารณาไปเนี่ยมันมากมายไกลกว่มันกว้างใหญ่ไพศาลกว่ า, ก ว, า, ก, วากว่าสิ่งที่เราสั่งสอนพวกเธอแอ่ที่ไม่เอามาสั่งสอนก็เพราะว่ามันก็ไม่มีความจำเป็นสำหรับพวกเธอ พวกเธอนั้นต้องการกิงแต่วิธีดับทุกข์เท่านั้นเองให้รู้จักว่าทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็ดับทุกข์สถาคุเป็นเหมือนกับหมอลวกเธอเป็นเหมือนคนไข้หมอก็เอายาที่มารักษาโรคที่เธอเป็นอยู่กันเท่านั้นแต่ยังมียาอีกมากมายกายกองที่ไม่มีความจําเป็นสําหรับพวกเธอหมอก็ไม่เอามาให้เธอกินเสียเวลาเปล่าๆที่พูดถึง ความสามารถของใจเราถ้าเราลองให้มันต้องมีโอกาสได้ได้พัฒนาได้พึ่งตัวมันเองแล้วมันจะเก่งกาแต่ถ้าเรามัวแต่พึ่งอย่างอื่นเราก็กลายเป็นเหมือนกับคนน้วยคนพิการไปเหมือนกับเราเนี่ยมีร่างกายที่สมบูรณ์มีแขนมีขาเดินได้แต่ไม่ชอบเดินชอบให้คนเขาอุ้มให้ชอบพุน ให้เขาเอารถเข็นมาใส่ให้เราเราเข็นเราไปไหนมาไหนเราก็เป็นเหมือนกับคนคนพิการไปแล้วถ้าไม่ใช้มันนานๆมันก็พิการขึ้นมาจริงๆว่าถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมาเดินสักทีทำอะไรสักทีด้วยตัวเองมันจะทําไม่ได้คนที่เคยใช้เครื่องซักผ้าอยู่ยเรื่อยๆลองลอต้องมาซักผ้าด้วยมือดูสักหน่อ ย, ยเป็นยังไง นี่ก็เป็นเพราะว่าเรามันไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการอบรมเราก็เลยหลงไปทางกระแสของกิเลสของความโลภของของความของความหลงหลงคิดว่าเมื่อเราทําอะไรให้มันสุขให้มันสบายเราไม่ต้องทําอะไรนี่แล้วเราจะเราจะมีความสุขเราจึงพาดของต่างๆมาอำนวยความสะดวกให้กับเราแต่แเป็นยังไง เมื่อเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็ต้องไปออกกําลังกายอยู่ดีต้องไปเสียเงินสมัครเป็นสมาชิกของฟิตเนสแล้วก็ไปออกกําลังกายไปวิ่งไปยกน้ําหนักไปทําอะไรให้เหงื่อมันแตกซึ่งสมัยก่อนปู่ย่าตายายเราไม่ต้องอเพราะเขาต้องคอยกวาดบ้านถูบ้านเขาต้องคอยถางหญ้าขุดดินทําอะไรวันวันหนึ่งเขาก็ ได้ได้ออกได้มีเหงื่อออกมาทุกวันร่างกายเขาก็แข็งแรงแา่ทุกวันวนี้พวกเรามันเหมือนเรเป็นคน ง, ง่อยเดินเดินป้ายรถเมล์สักป้านึนงก็คงจะเดินไม่ไหวเพราะมีรถยนต์กันจอรดรถก็ตัองจอดที่ใกล้ๆพอจอดลงปักสักนที่ที่ตนเองต้องการจะไปไม่ชอบเดินเมื่อร่างกายมันไม่ได้รับการออกกำลังกาย มันก็มันก็อ่อนแอมันก็เป็นโรคเป็นอะไรง่า ย, ายอายุก็นสั้นอายุก็ไม่ยืนนี่ก็เป็นเพราะว่าเราหลงไปตามกระแสะของของกิเลสเนี่กิเลสชอบการความง่ายความสะดวกความสบายแต่เราไม่รู้ว่าการที่เราจะได้สิ่งที่ง่ายะสะดวกมาเราต้องเสียเสียเวลา กับการไปหาเงินหาทองเพื่อไปซื้อสินงเหล่านี้มาเราก็ต้องวุ่นวายทางด้านจิตใจมากเพราะมันต้องแข่งแย่งกันแข่งขันกันแต่ถ้าเราหันกลับมาอยู่ตามกระแสของธรรมะดูแบบอยู่ง่ายๆขนไหนมันไม่จําเป็นลองโลที่ไปนะตู้เย็นไม่ต้องจะมีมันเครื่องปรับอาการไม่ต้องไปมีมัน เราเท่าที่มันจําเป็นแล้วค่าใช้จ่ายในบ้านมันจะลดน้อยถอยลงไปเดือนเดือนหนึ่งที่เราเคยต้องผ่อนแต่ ถ, ถ้าเราไม่มีเงินส่วนเราซื้อของที่เราผ่อนมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องผ่อนเราจะมีเงินเหลือใช้แล้วเราจะไม่เครียดเพราะว่าเราสบาย ม, ม, มีเงินที่จะซื้อสิ่งที่จําเป็นจริงๆสิ่งที่จำเป็นก็คือเช่นอาหารอย่ารักษาโรคเวลาที่เราไม่สบาย จะพลาดก็นานๆจะซื้อสักทีนะบ้านก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรายจ่ายมันจะมีไม่มากบรรจะกลายเป็นเสรษยีขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัว <c oughs> วันนี้หาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้จะไปพอเังไงก็เมื่อมันใช้แบบไม่รู้จักพอ <c oughs> มีมีร้อยก็ใช้ร้อยสิบมีพันก็ใช้พันน้อยนั่นก็ต้องเป็นนี่เขาอยู่ในนี้ แล้วคนขายของมันก็จะรอมันชอบให้เราซื้อเงินผ่อนเอาของไปก่อนแล้วมาจ่ายทีหลังถ้าเราไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่มีความรู้ทางด้านธรรมะแล้วเราก็จะวุ่นวาอยู่กับเรื่องราวแบบนี้ไปอยู่เรื่อยๆไม่รู้จกักจบปลาสิ้นแต่ถ้าเรารู้เรื่องธรรมะหรือว่าอะไรคือสิ่งที่จําเป็นอะไรถึงที่ไม่จําเป็นแล้วเราแยกแยะมันออกไป อันไหนไม่จําเป็นก็โยนทิ้งไปเอาแต่เอาแต่ตสิ่งที่จําเป็นแล้วก็มาหาความสุขที่แท้จริงดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่เราเสียเงนินเสียทองไปซื้อมามันเป็นยังไงมีโทรทัศน์ดูกี่ครั้งแล้วมันมีความสุขขนาดนั้นมีเครื่องเสียงมีอะไรเราฟังแล้วมันมันมีความสุขขนาดไห น, นมันก็เหมือนเดิมเหมือนกับไม่มีเี่ยก็อยากจะมีมัน แล้วเรามาความสุขอย่างนั่งนั่งสมาธิดีมาอ่านหนัง ส, สือธรร ม, มะฟังเทศธรร ม, มะเทศษาธรร ม, มะดูแล้วเราจะได้พบกับสิ่งที่ดีที่เลิศที่วิเศษที่ภาษาวกที่พระพุทธเจ้าภาษาวก ท, ทั้งหลายได้เจอกันมันอยู่ในตัวเรานี่เองมันไม่ได้อยู่ที่ไหนของต่างๆที่ เราเราลุ่มหลงกันเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาพยายามถามตัวเองง่ายๆถามว่ามันจําเป็นไหมไม่มีมันจะตายไหมนะั้นเราหัดเป็นคนที่ใจเข้มแข็งถ้ายังไม่ถึงขั้นกับโยนทิ้งไปได้ก็เอาเก็บไว้ในตู้แล้วเก็บไว้ที่ไหนที่ถอดปักมันออกเพื่ออยากไปใช้ใมันดูดูที่ว่าชีวิตของเราจะอยู่ได้นะเนียรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะ ดีขึ้นทางด้านจิตใจความเครียดความกังวลความวุ่นวายใจต่างๆจะเบาบางลงไปอยู่แบบธรรถะเรียกง่ายในหลวงทรงสอนอยู่เรื่อยๆเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความเีม้ยนะก็คืออยู่แบบอยู่เท่าที่พอเพียงกับการอยู่ไม่ต้องไปมีของที่มันทุ้งเฟ้อของซึ่มเคยของที่ไม่จาเป็น หาความสุขที่แท้ทจริงดีกว่าจากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันจะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความหิวความอยากความต้องการต่งตางๆจะสามารถอยู่เฉยๆได้อยู่เป็นสุขไม่ต้องมีเครื่องมาบางมงมังหลงบำเรอความสุขอยู่เฉยๆจิตก็เมื่อจิตมันไม่หิวมันไม่อยากมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแตวันนี้เราอยู่เฉยๆกันไม่ได้ พออยู่เฉยๆแล้วมันเกิดความทุกข์ขึ้นมารู้สึกงุ่มหงุดใจรู้สึกลำคานใจรู้สึกเศร้าโศงโศนเหงาต้องหาอะไรทําเพราะว่าจิตมันไม่นิ่งจิตมันไม่ได้รับปาหารไม่ได้รับธรรมะลองทำมาหาอาหารที่แท้จริงของใจให้กับใจเองทำบุนทําทานตามแต่ฐานะของเรามีเงินมากน้อยเท่าไหรก็ทําไป ส่วนที่เราจะต้องมีเก็บไว้ใช้ก็เก็บไว้ไม่ได้หมายควาว่าจะต้องทำอย่างนียนอกจากว่าเราเรามีความมั่นใจว่าเราไม่ต้องการมันอีกแล้วคนบางคนเขาก็สละหมดก็ออกบวชอาศัยอาชีพอาศัยการบินระบาทตอนนี้บวนี่เราโชคดีมันไม่มีเง้นมากเนือไม่กี่พันบาท สมบัติของตัวเองนี่นอกจากเครื่องผ้าที่เคยมีอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีครอบครัวก็ไม่มีมันก็เลยง่ายแต่คนที่มีอะไรมากมายเนี่ก็เป็นเหมือนคนที่ติดติดมากเหมือนถ้าเป็นคนท่าก็มีสายรายองระยางว่าจะถอดสายอะไรออกแต่เส้นนี้ก็กลัวเหนื่อร่างกายจะตายแต่คนที่ไม่มีสายอะไรเลยนี่มันสบาย หายใจไปตามธรรมชาติอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปงั้นส่วนใหญ่ที่เราไม่สามารถไปอยู่วัดกันได้ก็เพราะเนี่ยเรามีเครื่องพันธนาการติดกับเรากันเนไหนจะเครื่องป ร, รับอากาศไหนจะตู้เย็นไหนจะรับประทานอาหารตามอัตยาใจตามอยากหิวเมื่อไหร่ก็กินได้เหมือนนั้นอะไรอย่างนี้ อันที่ร่างกายมันไม่ได้มีความต้องการอาหารที่เราป้อนให้ร่างกายส่วนใหญ่มันป้อนให้กับกิเลคือเขาเรียกว่าการละตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโดธรรมะกินถ้ากินเพื่อกิเลสกินเท่าไหร่ก็ไม่พอกินเท่าไหรนก็ไม่อิ่มแต่ถ้ากินเพื่อร่างกายเนี่ยมันมีประมาณพอกินเข้าไปรู้สึกว่ามันริ่มอิ่มแล้วเราก็หยุดกินได้เดินน้าเข้าไปสักแก้วมันก็รู้สึกอิ่ม แล้วก็อยู่ได้ถึงยีบสี่ชั่วโมองกินข้าวมื้อเดียวก็อยู่ได้แต่ใจเนี่ยมันจะดิ้นลงสมัยที่บวใหม่ๆล้วก็เคยเจอกินข้าวเสร็จแล้วมันก็ยังคิดถึงอาหารตอนเยน็นๆนี่โอ้โหมันคิดมันปงวุ่นมันหมดเลยอาหารชนิดนั้นนะฮิ่งชนิดนี้เลยต้องอาศัยการภาวนาการนั่งสมาธิการกําหนดจิตให้นิ่งแม่ไปคิดถึงอาหารทั้งหมด พอมันไม่ไปคิดรับความหิวต่างๆมันก็หายไปมันก็รู้ว่าความหิวมันมีสองรูปแบบหิวกายกับหิวใจกายมันไม่หิวอะที่มันหิวมันหิวใจเพราะกายมันอยู่ได้ไงกายไม่ตายหรอกนอยลอยยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วมากินไม่ตายแต่ที่มันจะตายก็คือกิเลสรอมันแสนทรมานจิตใจมันแสนทรมานหิวโหย ทีน้ำตาไหลเพราะหิวข้าวก็ อ, อ, อยากจะกินข้าวอยากจะกินนั่นกินนี่แต่พอเห็นคนอื่นเขาอดอาหารต้องทีละสามวันห้าวันเรายังไม่ได้อดเลยเนี่ยเรายังแค่นี้ก็เลยลองอดดูเขาพออดแล้วก็ต้องภาวนาเพราะถ้าไม่ภาวนามนี่จิตมันจะฟุ้งซ่าน ม, มากจะคิดฟึงงต่เรื่องอาหารเหมือนก็การอดอาหารมันก็เป็นเหมือนกับวิธีบังคับใจให้ภาวนา ขยนันเวลาอดอาหานี่มันจะขยนันมันมันกลัวทุกข์ไงกลัว ค, ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดเปี่ยแปลงเกี่ยวกับเรื่องอาหารมันก็พยายามนั่งสมาธิพยายามเดินยืนกลมคนวบคุมจิตใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดไว้จะอยู่กับอานาปานสติจมหายใจและวอยู่กับพุทโธอะไรจะตา่างแล้วก็ควบคุมไว้เพอจิตมันไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆมันก็สงบตัวลง พอมันสงบครับมันก็เกิดความอิ่นขึ้นมาในใจถึงถึง เ, เข้าใจว่าทําไมพระท่านอดอาหารได้ตั้งหลายวันเพราใจท่านไม่หิวท่าน ม, มีมีภาวนาเป็ น, เ ป, นเป็นตัวคอยให้อาหารกับจิตใจส่วนร่างกายก็อาจจะมีความรู้สึกสู้ผอมมีความรู้สึกว่าท้องเบาอะไรนี้ไปแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตอะไร ปัญหาใหญ่โตอยู่ที่ใจของเรามากกว่าเมื่อตัวปัญหาที่ใหญ่โตนีไ้ได้รับการควบคุมดูแลไม่ให้ไม่ให้กำเริไม่ให้สร้างปัญหาให้แล้วก็สบาย่แต่ว่าในขั้นตอนของการติดสมาธินี่มันก็เป็นความสงบเป็นระยะระยะเป็นทักเป็นทักไปมันไม่มันไม่สงบอย่างต่อเ น, นื่องพอมันออกจากสมาธิมันก็โดดไปคิดได้โดดไปคิด ถ้าถ้าเราไม่รู้จักใช้ปัญญานี้เราจะไม่ไม่มีทางที่จะกําจัดไอ้ความคิดอย่างกกินไม่ได้เมื่อยังไม่รู้จักใช้ปัญญาก็พอมันเริ่มทรมานใจก็กลับไปนั่งสมาธิกลับไปกําหนดอีกแต่ถ้าถ้าได้ถ้าได้รู้จักวิธีใช้ปัญญานี้มันก็จะสามารถกําจัดไอ้ความอยากอาหารนี้ได้ท่านมีอุบายท้านไ้สอนพุทรณาความเป็นปฏิกูลของอาหาร อ้าให้เราพิจารณาดูอาหารที่มันมีในบาทล่าอาหารที่มันเข้าไปในปากอาหารในขณะที่เราเคี้ยวมันก่อนที่เราจะกินมันเข้าไปสมมุติว่าเราว่ามันอรเด็ดอร่อยเนี่ยเราลองคายออกมาใส่ไปในช้อนแล้วดูมันแล้วก็ลักเข้าไปในปากใหม่เราจะตักเข้าไปได้ไหมการที่มันเป็นอาหารที่ แ, าาแสนอาาร็ดอร่อ ย, อยที่อยู่ในปากไม่กีนนี้กาลังจะกินเข้าไปในท้องอี่ยงถ้าให้พิจารณาดูความเป็นปฏิกริยของอาหาร ส่ใหญ่เราจะไม่เห็นเราจะเห็นแต่เฉพาะช่วงที่มันอยู่ในจานนั้นเองเวลาที่เขายกมาจากในครัวนี่โอ้โหเขาเขาแต่งมาดูเราแหมมันน่ากินแต่พอเราไม่คิดถึงเวลาที่มันก็ไปคลุกกับน้ําลายของเราในปากหรือในขณะที่มันนมไปรวมกันอยู่ในท้องอาหารทุกชนิดไม่ว่าจะหวานจะข้าวจะเป็นผลไม้หรือจะเป็นอะไรมันก็ลงไปรวมอยู่ในที่เดียวกันนี่พระบางลูกท่านถึงคุกอาหารทุกอย่างในในในบาท คนไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องลงไปเรือมเงินอยู่ข้างล่างเนี่ย น, นี่เป็นการปราบกิเลสปราบความอยากนะฮะแล้วหลังจากนั้นแล้วมันจะไม่หิวกับเรื่องอาหารเพราะเวลาจะหิวที่ไหนก็นึกถึงไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ความเป็นปฏิกูลิยามันขึ้นมาเนี่ยมันก็ถอยเลยมันก็ถอย ท, ที่นียว่าอุบายของปัญญาถ้าถ้าปัญญาทานแล้วต่อไปไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ ไม่ต้องนั่งไม่ต้องหนีหนีความความทุกข์ที่เกิดจากการคิดปรุงแต่งเรื่องอาหารเพราะมันปรุงแต่งเรื่องอาหารไอปฏิกูลนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาพอมันผล่ขึ้นมาแป๊บมันก็ถอยยกิเลสก็ถอยนี่คือเรื่องเรื่องของใจเราเป็นใจของใจของเราที่ส่วนใหญ่ยั ง, ยงถูกความอำนาจของความหลงครอบงำอยู่ แต่เลยเลยกลายเป็นาธาตของมันทั้งวัา น, นี้เราเป็นาธาตของมันโดยเราไม่รู้สึกตัวี่ยนเราที่ว่าเรากําลั ง, ห า, า ง, าาลงาหาความสุขแต่ทัจริีนี้เรากําลังเป็นธาตหาความสุขให้กับกิเลสกิเลสมันสุขแต่ใ จ, ใจเราทุกข์เอาจริงกิเลสมันไม่มีตัว ต, ว ต, วตว น, นมันเป็นอาการของใจเป็นแต่ว่าเราพูดเปรียบเทียบไม้ฟังกิเลสมันเป็นเหมือนแก่เจ้านายเรา มันมีความสูกมันสั่งมันใช้ใจให้เราไปาทํำสิ่งนั้นสิ่งนี้หามาให้มันแล้วใจของเราก็ต้องถูกเวลาที่หามาไม่ได้อใจก็ถูกใจก็ถูกคําโทษเวลาหามาได้เสร็จปั๊บเดี๋ยวมันก็ถูกสั่งให้ไปหาสิาง่งอื่นม่หาอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จักหยุดหาดยไม่มีความเป็นอิสระในตัวของตัวเองอยู่ไม่เป็นสุขอยู่่เสียๆไม่ได้พราะกลัวกิเลสพอมันสั่งอะไรปั๊บต้องรีบไป เหมือนกับว่ามันมีแทะคอยที่จะจะ้าใส่เรา <c oughs> แทะของมันก็คือความความความรู้สึกที่ทุรนทุรายสังเกตดูเวลาอยากจะได้แล้วมันเป็นยังไงมันทุรนทุรายเนาะโอ้มันจะตาย ไ, ตไม่ได้แต่มันไม่ได้ของที่อยากจะได้ <c oughs> นั่นแหะคือเหมือนกับแทะที่ก่เหลสมันภาใส่ใจให้กับให้ให้กับเราแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟัง วิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้ากับของภาษาทั้งหลายแล้วว่านี่แหละคือวิธีที่จะปกักกิเลที่จะทําลายกิเลสได้แล้วเรานำเอามาใช้มาปฏิบัติกับตัวเราเองทดลองได้ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเป็นอิสระกิเลสมันจะไม่สามารถที่จะมาครอบงาไม่สามารถที่จะมาสั่งการให้เราไปทำอะไรตามคําสั่งของมันได้ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเรื่องสําคัญ การฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์เป็นเรื่องสาคัญแล้วเวลาฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจอย่าไปคิดเรื่องอื่นเวลาฟังก็ฟังถ้าเข้าใจพิจารณาตามได้ก็พิจารณาไปถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อนเพราะบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะยังไม่ไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการฟังเทศฟังธรรมเาไม่ได้ฟังคนเดียวก็ฟังไปเรื่อย แล้ว อ, อันไหนที่เราเข้าใจที่เราสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ก็ควรจะเริ่นปฏิบัติเอาไปปฏิบัติถ้าไม่ไปปฏิบัติต่อให้ธรรมะที่ดีลิสัขนาดไหนมันก็ยังเป็นธรรมะที่อยู่นอกใจอยู่มันยังไม่ได้เข้าไปในใจมันจะเข้าไปในใจได้ก็ต้องนั่งใจเราวนำเอาไปปฏิบัติเอาไปตัดเอาไปลดเอาไปละอันไหนไม่จําเป็นก็เลิกมันเสียเลิกใช้มันเสีย ที่ไหนไม่จำเป็นก็ต้องไปก็ไม่ต้องไปหัวเหรอพยายามอย่าไปอาศัยอะไรภายนอกมากถ้ามไม่จำเป็นจริงๆก็ตัดทิ้งตัวเราเอง เราเนี่มีอะไรเยอะแยะไปหมดที่มาคอยเพียงแต่ยาเราไปนั่งนับดู ย, ยากี่ช น, นิด ย, ยาหม่องยาทายากินเราของพวกเสริมสวย อ, อะไรแตงเป็นมดถ้าไปไหนทีถ้าต้องเอาของคนนี้ไปนี่คงเป็นกระเะป๋าใบใหญ่ๆเร <c oughs> าไม่ไปแบบพาทิดงถ้ามีบาดไปเดียวผ้าสามผืนที่กองน้ำไฟมีโกน เข็นก็นได้ประคตเอวอันนี้พอแล้วกดไปกดกระมุงไว้สาหรับเวลาลวต้องต้องนอนกลางอยู่ในป่าแครนี้ก็อยู่ได้คนละจะต้องมีอะไรมากมายแต่เราบางทีไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พิจารณากันเวลาเราใช้อะไรคนนั้นบอกว่าดีวันนี้ว่าดีก็เอาเอากลางเข้ามา พอใช้แล้วมันติดบาริงมันใช้แล้วเพื่อความมั่นใจของใจมากกว่าบาทีสมมติเราเป็นแผลเนี่ยเราถ้าเราเคยมียาทาเราก็ต้องมียาติดตัวตลอดเวลาพอมีแผลเราก็จะต้องทามันแต่ถ้าเราไม่เคยใช้ยามาก่อนไม่มียาแล้วก็ปล่อยให้มันหายวนไปมันก็หายได้มันก็ช้าหน่อยมันจะหายช้าหน่อยแต่มันก็หายได้แต่มันสบายใจกว่าเันไม่ต้องวุ่นวายใจ พยายามลองยาทาแล้วไม่เคยทาเลยเห็นผมเป็นถ่ลวปล่อยให้มันเป็นวัเดี๋ยวมันก็หายป <c oughs> วดหัวตัวร้านที่ไม่เคยต้องกินยาแก้ปวดไม่เคยปวดใชันใหญไม่ปวดเลยแต่เราเป็นไข้เป็นแตงมันไม่ปวดมันไม่ปวดเพราะมันอาจจะปวดตามร่างกายบ้างเป็นเป็นไขวันใหญ่ก็ไม่ต้องกินยาก็ทนเ อ, ยอยาเดี๋ยวมันก็มันก็หาย ถ้าใจมันเคยมันเคยผ่านความทุกข์มาแล้วมาวเรื่องความเจ็บปวดทางร่างกายนี้ก็ทำมาเนี่ยหลงนั่งสมาธิไปนานๆมันเจ็บปวดรวดเร้าไปทั้งตัวแล้วใจมันเฉยได้ต่อไปก็กไ ม, ไม่ไม่วุ่นวายครับอาการเจ็บท้ายได้ปวดทางร่างกายเ mm. นี่ยเป็นการฝึกจิตเนเพราะจิตมันไม่ใช่กายใช่การมันเป็นอะไรจิตมันเราไปหลงไปคิดว่ามันเป็นด้วยนะเอง การกินไม่ได้เป็นทำตามเขาเหมือนกันกในนิทานในสมัยพุทธกาลมีคนเลี้ยงมา้าเป็นคนขาขาขาเปเดินก็เดินแต่เดิ น, ด น, ดนคนขาเป๋เดินม้ามันก็เดินขาเป๋ตาม <c oughs> มันก็ม้ามันก็ไม่ขาเปแต่เห็นคนเลี้ยงมันมันก็เดินตามอย่างนั้น <c oughs> จิตเราก็แบบเดียวกันนจิตเราไม่ได้เป็นอะไรกับร่างกายเท่าไหร่ แพอเรา่างกายเป็นอะไรมันก็วุ่นวายไปกับร่างกายยิ่ไม่ดีวุ่นวายไปมากกว่าร่างกายร่างกายมันไม่รู้เรื่องอะไรมันมันเป็นอะไรมันไม่รู้ว่ามันเป็นอ่ะมันเป็นอะไรมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นความดันมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแต่ตัวรู้นี่โอมันไปวุ่นวายกับมันตัวรู้ก็คือใจพราะไม่มีธรรมะไม่เข้าใจว่านักษาไงก็ไม่หายหรอกรักหายวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลับมาใหม่ พรมันตายตัวอยู่แล้วสู่ตายตัวก็คือเกิดแก่เจ็บตายมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วรักษาให้ดีขนาดไหนหมอวิเศษขนาดไหนขนาดหมอเองยังตายเลยห้อเองรักษายัางไงก็ยังตายหมอเองรักษ า, างไงก็ยังก็ยังต้องเป็นเหมือนกันเราต้องดูความจริงสิแต่เราไม่ค่อยดูกันอ่ะเพราะเป็นอะไรก็เป็นเหนมือนกระไก่เหมือนกับคนตื่นตื่นเป็นอกเหมือนกับตายก็ตายตื่นตูม ไม่สบายไม่สบายนี่พ้ามออก้ามออกหายาหายาท่านี่บอกดูว่าเป็นยังไงโลกมันก็มีอยู่สามชนิดโลกที่เป็นแล้วหายเองได้ไม่ต้องทำอะไรมันก็หายได้โลกที่เป็นแล้วก็ต้องรักษาแล้วโลกที่เป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมันแต่จะตายลูกเดียวมันก็มีสามโลกกนัน เน่เป็นหมอพวกเราเป็นหมอได้เนี่ยรู้แค่นี้ก็พอแล้วรักษาร่างกายก็าได้นี่ร่างกายมันก็มีแค่นี้แต่ใจเราสิมันไม่ตายมันไม่เป็นอะไรให้หน่อยมันไม่มีโรคอะไรให้หน่อยแต่มันถูกเชื้อโรคของความโลภโกรธหลงมาสร้างความสร้างสร้างโรคทางด้านจิตใจจนกลายเป็นคนประสาทเป็นคนคนเครียดวุ่นวายความเครียดนี้อยู่ในใจไม่เครียดกับเรื่องของร่างกาย บางคนกลัวแก่เงีเ้ยโอ้โหพอจะแก่ขึ้นมานี่ยโอ้โหรับไม่ได้บางคนกลัวความเจ็บคไายได้ตวัวเงพอคิดพูดถึงกับว่ามะเร็งรุ่งแรงโรคหัวใจอะไรพวกโอ้เครียดมาก <c oughs> แต่ไม่รู้ว่ามันต้องเป็นด้วยกันทุกคนมันต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเหมืกันแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เป็นเนกันเพราะร่างกายของคนเราทุกคนเหมือนกัน ต่างกันตรงที่จิตใจใช่ไหมจิตใจของพระเจ้าของภาษาล้งให้ท่านหายแล้วไม่มีเชื้อโรคคือกิเลสไปสร้างความทุกข์วสร้างความวุ่นวายใจจิตใจเป็นปกติเร่งเฉสงบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะไม่ได้มองว่า ร, าร่างกายนี้เป็นใจไม่ได้เป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นเหมือนขวด น, น้ําที่ตั้งมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยไปตามความเป็นจริงของมัน นี่คือสิ่งที่เราสามารถจะได้รับจากธรรมะคือเราจะสามารถปลดเพรื่องจิตใจของเราให้พ้นจากความยึดติดพ้นจากควา ม, ม, มหลงทั้งหลายได้ทาให้เราสามารถอยู่อย่างสุขอย่งสบายท่ามกลางสภาพที่ไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับขออะไ้เต็มไปหมดแต่ใจนี้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเครียดอยู่ตลอดเวลา อยู่ลําพังไม่ไเป็นอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวก็ต้องเปิดไอ้นั่นดูปล่อยนี้ฟังพอเบื่อก็ต้องโทรหาคนนัน้นหาคนนี้พอเบื่อจากโทรก็ต้องไปหาไปเจอตัวพอไปเจอตัวเมื่อเบื่อนั้นถึงก็งไปหาคนหนึ่งต่อมันเบื่อทั้งนั้นไม่ว่าอะไรในโลกนี้มันถึงหน้าเบื่อแต่ว่านานๆเจอกันทมนีมันก็มันก็มเลืมไป แต่พอไปเจอปับ๊บไปคุยกันปับ๊บเดี๋ยวมีเรื่องเก่าๆนิสัยเก่าๆมาก็เบื่อเนะี่ยไปไม่ไไปหาคนไหนมันก็มีแบบของนี้ออกมาให้เราเห็ น, หนของหน้าเบือ่อเท่านั้นอยู่กับกรารยาณมิตรคือธรรมะในใจเราไม่ไดไม่น่าเบือ่อมี่ธรรม่ในใจแล้วมันมีความมันมีเคลื่อนที่ดีเพื่อนที่คอยสอนให้เราไม่ดุ้งไม่ดนึนกับอะไร ใครอย่างสถานาเนะวันนี้ทำไมมากันก่อนเวลาเวลาว่าอนุาตทำมาจากอุดรค่ะก็เลยได้อ่านหนังสือของท่านก็เลยอกอยากจะมากราบแตยชื่อพลเรือแต่ชื่อพลเรือมาจากอุดรสองคนอุดรก็อยู่ใกล้หลวงตา ทำหน้าผมลงตาก็สุดยอดแล้วของเรามันเป็นพิเศษอาจจะเป็นพวกภาษาก็ได้นะครูบาอาจารย์ท่านอยู่สมัยหนึ่งภาษาของท่านท่านก็อาจจะพูดไปแนวหนึ่งาาการแสดงการยกตัวอย่างขึ้นมาอาจจะเป็นไปแบบนึ่งในสมัยของท่านแต่เรานี้มันอยู่สมัยย่อมสมัยกัน อาจจะยกเหตุผลยกตัวอย่างอะไรที you ่มันเห็นเห็นเข้าใจง่ายกว่าแต่ถ้าธรรมาแล้วก็คิดว่ายังของท่านยังเล็กยังสูงกว่าเยอะเราเรียนแต่ระดับบรรลุบาลสอนเพื่อเดยกบรรลุบาลกำลังใจอังลิง13ที่ท่านเขียนถึงเร่อง สมมติเขาจะถาว่าธาตุธาตุสี่แล้วไอ้ธาตุที่ตัวก็คือในี่ถ้ารู้ว่าคือใจแล้วธาตุที่หกก็คืออากาศอากาศก็คือความว่างเนี่ยความว่างที่มันเตรงว่างๆนี่เท่าเลยวอากาศคือเป็นเป็นพื้นที่ว่างๆก็เป็นอากาศอากาศทับธาตเพราะว่าธาตุีดินน้ำลมไฟมันต้องมีที่เห็นจะมันเท่าไี้่ ที่ที่มันอยู่ก็คืออยู่ในอากาศเนี่ย <Okay. S 1> มันโลกเรานี้มันก็เป็นตัวรวมของธาตุสี่เรื่องน้องมันก็ลอยอยู่ในอากาศดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันอย่างเมันก็ลอยอยู่ใน้ากาแล้วใจของเราก็มามาเอาธาตุสี่ทง่น้ำลมไฟที่อยู่ในในโลกเนี้ยมาปั้นเป็นตัวเป็นผมเป็นขนเป็นนัํเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นกระดูกแล้วก็ไปไปครอบครองเนี่ย เหมือนกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็เป็นเหมือ น, น, นกับเป็นท่าเสียงในหน้ามุมฝันส่วนกระแสคลื่นวิทยุที่เข้าไปหรือออกมาก็เป็นเหมือนกับใจพอเรามีพอเรามีกระแสคลื่นวิทยุเข้าไปมันก็ส่งเสียงดังออกมาแล้วก็มีเสียงคนพูดมเนี่ยก็เป็นเหมือนกับตัวจิตกําลังพูดผ่านผ่านตัวมือถืองั้นถ้าเปรียบเทียบอ่ะคือ ตัวเครื่องม <gger> ือถือนี่ก็เป็นเหมือนกับร่างกายส่วนไอ้กระแสคขึ้นนี่มันก็เป็นเหมือนใจแต่ตัวเครื่องมันไม่รู้เรื่องเราไอ้ตัวที่รู้เรือร่องก็คือตัวกระแสคขึ้นคือตัวจิตไงตัวนี้เมื่อเครื่องมันเสียมันก็ไปหาเครื่องหม่หจะได้เครื่องที่ดีกว่าเก่าหรือไม่ก็อยู่ที่บุญกุศลด้วยบาปที่ทำํำถ้าทําบุญมากก็บาปถึงเวลาที่จะได้เสวยบุญมันก็จะได้เครื่องที่ดีกว่าเก ถาบาปมากก็บุญมันก็จะไปได้เครื่องที่เลวกว่าแทนที่จะเป็นมนุษย์เจ้าจะไปเป็นสุนัขอย่างในพุทธการที่มีเศรษฐีตายไปแล้วก็ไปเป็นสุนัขในบ้านของตัวเองพระผูทธเจ้ารู้แต่พวกเรามองแล้วเราไม่รู้ลูกของของของของเศรษฐีไม่รู้ว่าพ่อมันเกิดเป็นสุนัขในบ้านแต่ผู้เจ้าบอเนี่ยเป็นพ่อของเทว เดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติที่พ่อเธอฝังไว้ซ่อนไว้แล้วก็ไปหมามันก็ไปขุดคุยจนเจอสมบัติที่พ่อฝังไว้งั้นจิตมันเป็นของไม่ตายที่มันตายก็คือร่างกายร่างกายมันก็ไม่รู้ว่ามันตายร่างกายมันก็เป็นเหมือนกับสาราหลังนี้ยเวลามันพังไปมันก็ไม่รู้ว่ามันพังแต่เจ้าของสาราเสียวร้องห่มร้องไห้าสีใจไม่ได้ ถ้าเกิดดูเราชอบอะไรมากๆเวลามันเสียไปเหรือถูกขโมยไปเนีวลาเสียใจเพราใจเราไปไปยึดไม่หลงว่ามันเป็นของเราไปหลงไปคิดว่ามันควรจะอยู่กับเราไปไปเรื่อยๆในตลาดมันก็เลยปัญหาของเราก็อยู่ที่ใจเราไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆนั่นเองพระเจ้าจึงบอกว่าเนี่ยอุปทานในฉัน ในในอริยสัจสีทั้งแสดงทุกทุกคกการเกิดการแก่การเจ็บการตายความพัดพลาการจากสิ่งที่เราชอบการเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วก็โดยสรุปก็คือความยึดมั่นในขันห้าคือกายกระใจคือในในในัทธนาสัญญาสังขารยมยานในร่างกายนั้น ถ้าเราต้องการที่จะไม่ทุกข์ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนกับเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งเหมือนบ้านหลังหนึ่งดูแลมันไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์แต่ถ้ามันถึงเวลาที่มันจะเป็นอะไรไปแล้วเราไม่สามารถที่จะไปป้องกันไปหักห้ามมันได้ก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปไปวุ่นวายถ้าใจรู้จักปล่อยวางรู้จักทําจิตให้สงบนั่นก็ไม่เดือนร้อนนะ เวลามันจะไปแล้วแล้วก็เข้าสมาธิไปพุโทโธพุโทโธภาวนาไปสวดมนไปเมื่อนอนหลับไปทั้าในขณะเวลาตายมันแค่ขณะเดียวนั้นเวลาตายเวลาหายใจเข้าไปแล้วไม่หายใจออกมาก็ตายแต่ยังหายใจออกมาก็ยังไม่ตายนั่นความตายไม่มไม่ใช่เรื่องหน้ากลัวที่หน้ากลัวเพราะความหลงความหลงว่าเอาไว้เราตายแล้วทุกอย่างจะสูญหมด เราจะเราจะหายไปหมดเราจะเสียเราจะต้องเสียนี่เสียนีงนี่หมดไปอะแล้วเกิดความว้าเวเปล่าเปลี่ยวใจคิดว่าหมดอะไรเนี่ยแต่จริงๆไม่หมดดั้งใจมันก็ยังก็จะมาเกิดใหม่เห็นไหมเวลามาก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาแม้แต่ชิ้นเดียวมาแล้วก็มาหาเริ่มต้นจากศูนย์เด้อแล้วก็ไปศูนย์ แล้วก็เป็นด้านต้นสูนย์ใหม่มันก็กำลไปเวียนมาอย่างนี้เติมกว่าจะหยุดไปเปินกว่าจะตัดความอยากต่างๆได้ตัดความหลงได้มันก็จะตัดความอยากได้คือเรายังเห็นอะไรยังอดอยากไม่ได้ยังอยากไม่ยังอดที่จะอยากจะได้มาครอบครองไม่ได้ยังอดที่ อยากจะสัมผัสหนึงไม่ได้อัน ต, ตัวนี้ที่มันเป็นตัวปัญหาที่เราต้องมาทำบุญให้จารรักษาศีภาวนาวก็เพื่อที่จะตัดอตัวนี้ตัวความอยากเช่นมีเงินร้อยบาทอยากจะไปดูหนังเอาเงินร้อยบาทมาทำบุญนะทำเรื่อยๆทุกครั้งอยากจะไปดูหนังก็เอาเงินที่จะไปดูหนังนมาทำบุญพนะอไปมันก็ไม่ไป ทุกครอยากจะซื้อมองเท้าคู่ใหม่จะเอามาทําบุญแล้วยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็เอาเงินที่จะองอยากไปเที่ยวนี้มาทําบุญหร <C> e <zy> ือไปเที่ยวแบบไปเที่ยวแบบทําบุญเนี่ยถ้าจะไปเที่ยวก็อาศัยช่องอุบายว่าไปทําบุญก็แล้วกันอย่างนั้นจะได้นั่งรถเทียย่ยว <C> e <zy> ก็ยังดีกว่าไปเที่ยวแบบ <C> e <zy> ไปเที่ยวกินไปห้องกงุงไปกินข้าวอาหารมันก็เท่านั้นแหละชื่อไปไปวัดดีกว่านั่งรถ ไปเที่ยววัดกันนีดหน่าะฉะนันทุกครั้งที่เรามีความอยากในสิ่งที่ไม่จําเป็นในสิ่งที่ผู้เคยก็เอาเงินที่จะไปซื้อกาสสิ่งเหล่นั้นมามาทําบุญนี่คือวิธีคือดัดกิเลสวิธีที่จะละ ง, งับความอยากต่างๆแล้วเมื่อได้ทํำบุนนั้นมันจะมีความอิ่มอกใจมันมีความสุขทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะติดกันนิสัย ความอยากที่จะไปใช้เงินผู้อื่นไปเที่ยวไปกินอะไรเนี่ยมันก็จะเบาบางลงไปแล้วความอยากจะทําบุญก็มีมากขึ้นไปเรื่อยๆและเมื่อได้ทําบุญบ่อยๆแล้วมันก็อยากจะรักษาสิเพราะว่าคนที่ทําบุญ น, นี้ไม่อยากจะไม่ชอบเบียดเบียนคนอื่นอยนะู่แล้วทําก็เพื่อที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเรื่องเรื่องอะไรเราจะไปเบียดเบียนคนอื่นเพื่อที่จะเอา เอาเงินเอาทองมาล้วก็หามาด้วยวาการปึดกระดสบายใจกว่า mm hmm. แล้วมันก็จะมีจิตก็จะมีความสงบคนที่มีศีลนี่จิตจะสงบมากกว่าคนที่ไม่มีศีลคนไม่มีศีลมันจะวุ่นวายอยู่เรื่อยกังวลห่วงหน้าห่วงหลังไปทไาอะไรเกาไว้ที่ไหนไปโหกไปโกโหกใครไว้ที่ไหนบ้างจําไม่ได้ <c oughs> กลัวเขจะมาจับผิดแล้วเข้าทั้งวันนี้แต่คนนี้ไม่เคยโกหกใครพูดร้อยครั้งมันก็มันก็เป็นความจริงร้อยครั้งไม่ต้องมากังวลมันก็จะเห็นความสุขที่เกิดจากความความสงบของ จ, จิตใจนี่มันก็อยากจะภาวนาอยากจะไปอยู่วัดอยาะไปที่สงบแล้วก็ไปฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะได้ยินได้ฟัง เกี่ยวกับเรื่องตายรักต่างๆเรนิจจังทุกขรั้งอ น, นัตตาถ้าได้พิจารณาก็จะเห็นว่าเราอยู่ท่ามกลางาของปลอมเท่ั้นไม่มีอะไรมันจริงแท้แ น, น่นอนอยู่วันนี้พรุงนี้ก็กลายเป็นอย่างไรละเหมือนไอติมนน้าแข็งที่เราออกมาตั้งไว้ก็เราออมาตั้งไว้ใหม่ๆก็เป็นก้อนเอราวก็เผลอแป๊บเดียวไปดูทีกลายเป็นน้ำเหมืนอนก ชีวิตของเราก็แบบนั้นนะตอนนี้เป็นก้อนเป็นรูปเป็นร่างเดี๋ยวเคอทีเอากลายเป็นขี้เท่าไปแนละ้ว <c oughs> แต่เราไม่คิดกันไม่พิจนารณากันการหลงห ล, ลงสะสมสร้างกันไปอย่างนีนะ้มัต้องเจริญเจริญใจรักอย่นางนี้เลยพิจารณาความไม่เที่ยงอย่นี้แล้วมันจะไม่ค่อยอยาก อยากไปทําไมได้อะไรมาเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หมดไปเดี๋ว่กากลายเป็นอะไรไปการเป็นสิ่งที่ตโตกันข้ามของใหม่ๆเวลาได้มามันดูสวยงามไปหมดเดใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวมันเก่าเดี๋ยวมันเสียเดี๋ยวมันล้าสมัยแล้วก็ทีนี้ก็อยากจะโยนทิ้งนะ่ะอยากจะได้ใหม่ แต่ถ้าพิเจารณาไปแล้วจิตใจสุดโหดนี่ถูกนะจ๊ะอ่าคือเรายังไม่ยังเด็กยังไม่มันมันยังมีกิเลสมันยังแรงกว่าเวลาเราพิจารณาตายละนี่มันจะทําให้กิเลสตัวหดหูมันปรากฏขึ้นมาถ้ามันหดหูมากๆก็หยุดแล้วก็กลับมาทําสมาธิไปก่อนเพราะเวลาทําสมาธินี่จะทําให้กิเลสมันสงบตัวลง เราสงบตัวแล้วเราพิจารณาตอนนั้นมันจะไม่หมัวถูเพราะว่ากิเลสมันไม่มันอย่างมันมืนกระถูกวางยาสงบเราชั่วคราวเนเวลาเราจะผ่าตัดคนไข้นี้ถ้าไม่ฉีดยาไม่ให้ยาสงบนี่ผ่าไม่ได้เดี๋ยวคนไข้ดิ้น mm hmm. ก็ต้องให้วางยาสงบอันใดเวลาที่จะพิจารณาปัญญาโดยเฉพาะคตจธรรมความจริงเช่นใจแลกนี่ถ้าไม่จิตไม่มีพื้นทางของความสงบนี่กิเลมันอารมณ์มันจะได้ พอเราพอเราไปพูดตรงกัง้นๆ ข, ของสิ่งที่กิเลสมันชอบมันจะมันจะไม่พอใจมันจะแสดงอาการอะไรต่างๆออต้องปฏิบัตสมาธิก่อนมันถึงเป็นขั้นขั้นก่อนจะทําสมาธิก็ต้องมีสิ่งว่ารักษาสี่ให้ได้ก่อนจะรักษาสีลให้ได้แล้วต้องใจเป็นทางต้องตัดเรื่องของภายนอกต่างเรื่องวัตถุเข้าของเงินทองทอะไรต่างๆ ถ้ามันยังยึดยางติดอยู่กับเงินทองอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ผิดศีลกันได้เราบาทีก็ต้องหามาเพลื่อนหรักษามันบางทีก็ต้องโกหกบ้างต้องอะไรบ้างเนี่ยบางทีไม่ยอมเสียภาีเต็มเต็มนี่ก็ต้องโกหกเนี่ยนักะแต่ถ้าเอาไปทำทานหมดแล้วมันก็ไม่ต้องมาโกหกอะไรเลยไม่มีต้องจ่ายภาษีนะมันก็รักษาศีลได้ศีลถ้าศีลไมีศีลใจใจมันก็จะนื่ง มันจะนุ่งมากขึ้นแล้วก็ทําให้การทําสมาธิง่ายขึ้นถ้าทําสมาธิจิตสงบอารมณ์ต่างๆมันก็สังเกตไปด้วยอารมณ์พลิกขนองอยากจะเที่ยวอยากจะกินอยากจะหาความสุขในโลกมันจะมันจะสงบตัวลงแล้วมันมีอารมณ์ความสุขของทางสมาธิของการสงบความคงเพียงนี่ทีนี้มันก็เลยไม่แคร์ที่ ที่ที่จะต้องตัดเสียงนั้นเสียงนี้อะไรกันจะไ ม, ไม่มีมันก็อยู่ได้แต่ตอนนี้เราอาศัยมันอยู่ทุกอย่างให้ปิดอาหารนี่ก็มาคิดหนักใจแล้วให้ให้เราใช้ตัวอย่างนี่มันก็หนักใจแล้วแต่ใช้ได้นะคนนี้ไม่มีตู้เย็นเขาก็าอยู่ได้นะก็ซื้ออาหารถุงมากินเลยไม่ต้อง ม, มีตู้เย็น อยากจะกินสองเงย็นก็ออกไปข้างนอกสั่งเท็กซี่กินตรงนั้นอนะ่ะกินเสร็นก็หมดแต่เราอยากจะกสบายกินตลอดยี่บสีชั่วโมงมันเป็นเรมีตู้เย็นอยู่ในบ้านกินแล้วก็เท่านั้นอนะ่ะเห็นไ้มกินแล้วมันก็ผ่านไปคนที่ไม่กินมันก็ผ่านไปนี่แหละวันนีน้ไม่กินกับสบายไม่วุ่นวาย แต่มันไม่มีถ้าไม่มีความสงบมันไม่มีอาหารทดแทนจิตใจมันก็ต้องครึ่งพาสายของของของของปลอมไปก่อนใจใช่ไหมเวลาคนที่กําลังจะตายเนี่ยก็เออร่างกายจะตายในทุกส่วนพร้อมกันเนี่เราไม่เลยเป็นหมอเราไม่รู้เลยความจริงร่างกายมันไม่ได้ตายมันไม่ได้เป็นอ่ะมันก็เป็นเหมือนกับ นาฬิกาเนี่ยมันก็ทำงานของมันไปถ้าเกิดส่วนใดส่วนหนึ่งมันประหยุดแล้วมันทําให้ส่วนอื่นทางานไม่ได้มันก็ต้องหยุดพร้อมกันหมดนะใช่ไหมเช่นหัวใจหยุดหยุดเต้นทุกอย่างเนี่ยมันก็หยุดหมดตับไดแท่งภูมันจะดีขนาดไหนมันก็มันก็ต้องหยุดต่างเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าตัวไหนตัวสําคัญที่มันหยุดทํางานถ้าตัวสําคัญมันหยุดทํางานปั๊บก็ก็จบแต่ถึงแม้ว่าถ้าหัวใจยังเต้นอยู่เนี่ยถึงว่าตับไม่ทํางานมันก็ยัง มันก็อาจจะอยู่ได้ไปสองสามวันหรืออะไรก็แล้วแต่ในบางส่วนที่มันไม่สําคัญกับกับการกับการอยู่บางทีไม่มีมันก็อยู่ได้เช่นตายเสียไปข้างหนึ่งไปข้างก็ยังทํางานแทนได้หรือปอดเสียไปข้างหนึ่งีกข้างหนึ่งก็ยังทำในระ่าบนี้ไม่ไม่ต้องไปสนใจมันเราไม่ใช่เป็นช่างไม่ใช่เป็นหมอเรามาดูที่ใจเราเป็นหลัก เรื่องร่างกายก็เหมือนรถยนต์เวลารถยนต์เสียแล้วก็เอาขับเข้าไปในอู่ให้ช่างเขาดูให้เขาซ่อมให้เขาแก้ถ้าช่างหบอซ่อมไม่ได้ก็ขายขายขายขายขายไปแล้วก็ไปซื้อเคื่อคันใหม่พอราซ่อมไปก็ไม่คุ้ม อ, อย่างไรอะอย่างซ่อมมันไม่ได้ <c oughs> ความตายมันมันอยู่ลําบากอยู่ตรงที่ความเจ็บปวดนั่นเอง <c oughs> ถ้าเราถ้าเราผ่านมันได้มันผ่านความเจ็บปวดมาได้เช่นเรานั่งสมาธิไปนานๆมันจะเจ็บจะปวดอยังไงเราก็เปิดหาวิธีรับมันให้ได้ถ้ารับมันให้ได้แล้วมันจะปวดต่กายแต่มันจะไม่ปวดที่ใจปวดที่ใจนี่มันร้อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์วดที่กายนี่แค่สิบเปอร์เซ็น ถ้าเราสามารถแล้วครับดับความปวดที่ใจได้แล้วความปวดที่ใจมันจะไม่ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยคนเราที่กลัวกลัวหน้ากลัวความเจ็บอะไรต่างๆแล้วก็ความเสียดายที่จะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่ถ้าเราไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีสมบัติอะไรสักชิ้นนึงเราจะไปเสอได้กันาไดไหนเหรอ หรือเรารู้ว่าถึงแม้เราจะมีมันก็ต้องจากกันไปอยู่ดีพอแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรทั้งวันก็ต้องจากกันไปอยู่ดีถ้าเราพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาเลยอาจจะพิจารณาพอพอให้รู้บ้างแต่ถ้าไม่รับรู้สต่อารมณ์มันจะไม่ค่อรู้สึกดีโอถู ก, ก็หยุดมันก่อนอาหามา ทำสมาธิเจริญเมตตาภาวนานก็ได้จับเท้าจับตาในเวล า, า, า, ลวลาหงุดหงิทำจิตให้สงบเพื่อการเจริญแผ่เมตตาพอจิตสงบแล้วค่อยกลับมาพิจารณาใหมา่การตั้งหัวแบบง่ายๆก่อนเราขึ้นมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเร่องของความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ได้ก็ทำเลยก่อน น, นกแก้วไปก่อย่งนี้อย่าไม่ต้องไปคิดลึกนะคิดลึกเรเดี๋ยวคินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ละาแปลกเนี่ยเราตั้งแต่อายุสิบสองเราเห็นคนตายเห็นเพื่อนนักเรียนตายอยู่ที่โรงเรียนเนะี่ยมันติดหูติดตาติ ด, ตตดใจแล้วมันเริ่มคิดอยู่ตลอดเวลามันพยาอ๋ออีกมากแล้วก็ต้องเป็นเหมือนครั้งอีกมาพ่อแม่พี่น้องคนนี้คนนี้ก็ต้องเป็นเหมือนกันแต่มันไม่หดโหดนะครับ เนื่องแต่เหมือนกับเป็นการลื้อคลื้นความจําเก่าอันนี้แหละคือความจริงอ่แต่มันก็ไม่ได้ถึงกับหมกมุ่นนะเพราะตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่มันก็มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องต้องไปเรียนต่างไปทาอะไรเมื่อทำไปแต่้ความรู้นี่มันจะอยู่ภายหลังถ้าอยู่ลึกๆอยู่ในใจเนี่ยบางครางบางคราวมันก็จะโผล่ขึ้นมาเตือนเรา ยัไม่ถึงกับทำให้เราหมดกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปหรือจะทำอะไรก็สามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างปกติแต่มีเหมือนกับมีภูมิคุ้มกันเหมือนฉีดวัคซีนนะเกิดเสียคุณพ่อคุณน้าไปในตอนนั้นจะไม่รึกสึกเศร้าโศกเสียใจอาจจะเสียใจบ้างอะไรบ้างแต่จะไม่ถึงกับโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับฮะเหมือนกับมันนุ่งงายก่อน จิตใจก็จะไม่วุ่นวาย น, นอย่างนั้นก็ควรจะมีไว้บ้างเป็นเหมือนยาลักเสงถ้าเกิดลูกมันจากเราไปก่อนเราทำไงใช่ไม้มเด็กคนที่เราไม่คาดคิดว่าจะจากเราไปเขาไปก่อนเรานีแต่ถ้าเราคิดได้เขื่อไว้บ้างว่าเออมันอย่างนี้มั น, นก็ไม่น่านอนไม่มีอะไรอย่านนอนเขาไม่ไปก่อนเราล้วก็ไปก่อนเขายังไงก็ไปพร้อมๆกัน ก็มีสามทางเรื่องแต่ต้องทําจิตให้สงบไงถ้าจิตไม่สงบเนี่ยมันมันมันมันรู้สึกว่ามันมันมันเป็นที่ไม่น่าคิดท่านใจสงบเลยนะนั่งสมาธิแล้วพอจิตมันร่นสงบแล้วเป็นนานปกตินั่งก็มันจะไม่สงบทุกครั้งแต่พอมันสงบแล้วมันรู้สึกโล่งลงใจหนึ่งก็อยากจะเลืมตาขึ้นมา แต่ตใจมันก็อยากจะพอใจกับในสภาพะตรง น, นั้นแต่แล้วมันก็ต้องพายคือยืนตาพิทีแล้วมันจะสั้นมากการทำในดีจะไม่ไมีมีระเวลานียาวก็ลองฝืนความรู้สึกนั่นดีบ้างไหมอย่าจะลืมแต่เราอย่าไปลืนแล้วนั่งต่อไปก็คือสัมผัสกับสิ่งที่เห็นเองก็ก็อย่าไปลืมเลยก็เราบางังคับได้เนี่ตอนเมื่อกี้นี่เราก็ยังลืมตาอยู่เรายังบังคับให้มันหล<อ>ับตาได้ พอมันอยากจะลืมตาเราก็อย่าไปทำตามมันก็แล้วกัน้องฝืนมันดูพอนับตาต่อไปขอให้ใหพักต่อไปทั้เรียนเหมือนกับนอนเวลานอนบางทีนอยาวถุก็ยังนอนต่อได้นี่ก็คล้ายๆกันคื อ, อ, ค อ, อคกิเลสมันอยากจะออกไงแต่เราบมอยังไม่ออกยังไม่ต้องออก น, นั่งต่อไปทักงระยะจนกว่ามันเริ่มทลุงชาแนลมันนางก่าแล้วคือสมาธิเราใหม่ๆมันยังไม่แรง มันมันสงบได้แค่ขณะเดียวแค่คัน น, นิ่งก็สงบปั๊มันก็อยากจะออกอ่ะแต่อย่างนั้นมันได้เรื่องสัมผัสความสงบแล้วรู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็อยากใจหนึ่งก็อยากจะอยู่ต่อคือธรรมะมันจะอยู่ต่อแต่กิเลสมันอยากจะออกเนี่ยมันก็อยู่ที่การต่อสู้กันระหว่างสองฝ่ายบางทีเราก็ภาวนาต่อไปสิเราภาวนายัางไงตามต้นเนี่ยแล้วก็พอรอบต้นพวนาต่อไปใหม่ เช่นเราภาวนพุโทโธพุธโทโธอยู่แล้วมันสงบปั๊บแล้วมันพอสงบปั๊บมันอยากจะออกแล้วก็พาณาพุโทโธใหม่แล้วมันกลับเข้าไปใหม่ต้องฝืนเนี่ยต้องฝืนเพราะมันเป็นมันจะต่อสู้กันเสมอระหว่างทำกับดีเด่นระหว่างความสงบกับความผู้สร้างมันจะต่อสู้กัน <c oughs> ถ้าเรารักความสงบเราก็ต้องดึงมันไว้ แต่มันก็พูดยากเพราะมันความรู้สึกนี้บางทีมันมันมันมันควบกลุมมลนบากพอมันเกิดความรู้สึกแล้วมันก็จะลุกขึ้นมาออกมาีก็ไม่เป็นไรก็พยามเพราะว่าวันผ้าไม่มีผลเดียวอย่ไหมวันถ้าหน้าก็ทำมาพอน่าพอนามาก็ตามต่อไปแ่จังหวะที่เลี้ยงปากมาถ่ายก็ขออุบาย เขาชอบท้อโลกว่าทำพอนานเท่าไรเท่าไหร่ก็ไม่เคยสงกไม่เคยนิ่งคุ้ชั่ตลอดเวลาเขาเก็จะท้ออยู่เลยก็ต้องไปฟังธรรมะของครูบาอาจารย์เหมือนกับไปดูโฆษณาเวลาเราบางทีเราเราไม่ไม่รู้จักหรือว่าเราไม่ชอบของชิ้นนี้แต่พอเขาโฆษณาประสิทธิภาพคุณภาพของมัน พอเห็นแล้วมันก็อดที่อยากจะไปซื้อมันมาไม่ได้แล้วเราต้องไปหาโฆษณาดีๆหาครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดแล้วทําให้เราเกิดฉันทะวิริยะขือนครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมผู้สื่อเนี่ยท่านจะพูดแล้วเชี่ยให้เห็นถึงคุณค่าอันประเสริฐของผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติซึ่งยากซึ่งลำบากแต่คุ้มค่าคุ้มเหนือ ต้อไปหาครูบาอาจารย์ไปฟังเทศฟังธรรมเยอะๆที่ครูบาอาจารย์ที่บางทีท่านก็เทศมันก็บางครั้งบางคราวท่านเทศอาจจะไม่ตรงกับเราก็ได้เพราะว่าบางครั้งท่านเทศให้สอนคนระดับหนึ่งเช่นหลวงตาทุงวันนี้ท่านสอนแบบคนคนส่วนใหญ่จะไม่ไม่ลงไปลึกมากแต่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่พอล่าจะต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนที่ให้ เราเกิดกำลังจิตกำลังใจที่ที่อยากจะปฏิบัติสมาี่หลวงตาเทศให้คันท่านจะเน้นไปทางด้านความอดทนความเพียรแล้วความคุ้มค่าของผลที่จะได้รับเมื่็ท่านเปิดตู้ตู้เก็บเพชรมิลจินดาวไว้ออามาโชว์เนี้ยนัย่นเนี่ยของพเนี่ยจะ เ, เป็นของเธอถ้าเธอหมั่นเพียร น, นั่งสมาธิเดินวงกลมปฏิบัติเดี๋ยวต่อไป ก็ได้ของพวกนี้มาทำมีของวิเศษออกมาโชวมาอวดเรา <c oughs> แต่ถ้าท่านสอน ญ, ญาติโยมพูดไปมันก็รู้ว่าพูดไปเขาก็ทำไม่ได้อยู่ดีเพราาอาจจะไม่พูดมากลึกไปขนาดนั้นท่านก็เพ็นงแต่ขอนให้เขามีความเชื่อมีความศรัทธาที่จอบจะทำบุญ <c oughs> ลนเรื่องภาวนา น, นี่ต้องต้องไปฟังเทศน์ของพระอาจารนเทศให้พระ <c oughs> เขบอกว่าถึงเวลานั่งสมาธิเขก็แน่งไงแต่แบบนั่งแบบวม่มีแบบสมาธิแบบให้นั่งมไม่ใชแบบ่จากแต่ว่านั่งก่าาอนที่ เ, <ๆ>ขเขาจะมามาตรงทางนี้เนี่ยเขากับเคยท่าจั บ, บจงใจท้าอย่างโน้น อ, อย่างนี้เพราะคงได้ไม่ถึงไหนก็ทำบาปอะไรไปเยอะก็ไม่แน่ละองค์ุลิมาน ก, ก, ก็ฆ่าคนมาตั้งเยอะบอกเข้าไปนะมาดูองค์ุลิมานเป็นตัวอย่าง เราอยาให้สิ่งนั้นนี่มาเป็นอุปสรรคเลยนี่มันเป็นอุบายของกิเลส ท, ทั้งนั้นที่จะมาสกัดการปฏิบัติของเราอ้างนู่นอ้างนี้อ้างร้ อ, อ, อ, อ, อยแปด <c oughs> ทำไมไม่อ้างพระพุทธเจ้าเพราะสาวกบ้างอ้างกูบาจามบ้างเรียถึงวิ้ยไปศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าก็ดีภาษาวบาลีอ่านน้อประวัติน้องปุรมั่นเดีอ่านน้องือปฏิปทาของพระธุลย์ลงกรรมฐานที่หลวงตาให้คิไหม ทันจะเล่าถึงการปฏิบัติของครูบาอาจารย์จากนั้นของปู่ท้าที่ท่านบวชตั้งอายุสี่สิบพราะมีท่านเป็นเนี่ยไปมีชู้ตอนต้นท่านก็สร้างสติไม่ได้เชื่อจะไปฆ่ามันให้มันตายทั้งคู่แต่พอดีท่านมีบุญเก่าอยู่ท่านก็พิดได้สติว่าฆ่ามันแล้วได้อะไรขึ้นมาฆ่ามันเราก็เร็วกว่ามั น, นท่านก็ยอยากจะวิจัยกับมันก็เลยประกาศยกฆันไปเลย ประกาศให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเนี่ยพระเวสสันดรกลับมาเกิดแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ออกบวชเลยได้อ่านอ่าประวัติทำนี้ดูสิไม่มีใครได้มาด้วยขาง่ายได้จริงๆเนาะเราไม่ครวรจะยึดทั้งบุญทั้งบาปไว้ตเลยใช่ไหมคคือบุญนี่มันเป็นเหมือนกับบันไดนะถ้าเรายังไม่ถึงที่เราก็ต้องอาศัยบันไดพาเราไป ไหนกะเรามาที่เนี่ยเราก็ต้องอาศัยรถยนต์พาเรามาถ้าไม่ขึ้นรถยนต์ก็มาไม่ถึงเนี่ยแต่เมื่อเราทํำแล้วเราก็ไม่เคลืกันีปไหนฉันเมื่อวานฉันทำบุญอย่างนั้นตื้นใจไปขวบวงเต็กทย่อคือการทำบุญให้ทานนี่คือให้ไปแล้วก็ตักไปเลยของที่เราให้ไปแล้วนี่ไม่ใช่ของเราแล้ว ฉนโยนถวายน้ำอันนี้ไม่ต้องมาเจ้ามองดูว่าเขาจะกินหรือไม่กินอนะ่ะเ <c oughs> ขาให้ไปแล้วก็เป็นของสมบัติของเข้าไปแล้วเขาจะไปให้คนที่เราเกลียดก็อย่าไปขึ้นเดือดร้อนเพราะเราให้เพื่อตัดกิเลส ข, ของเราตัดความหึงความหวงในวัตถุข้าข อ, ของเงินทองต่างๆให้ไปแล้วก็ไม่ใช่ของเราแล้วถ้าเป็นของเราก็ยังไม่ได้ให้ใช่ไหม <c oughs> แล้วเมื่อให้อะไรแล้วก็เลือนไปเลยไม่ใช่เรียนเอาแล้วตคือสุข <c oughs> คือสุขมันเป็นเรื่องที่ตามมาจะติดไม่ติดมันก็เกิดขึ้นเองเหมือนก็กินข้าวกินแล้วมันก็อิ่มตามมาเองจะไปติดแล้วไม่ติดจะไปปฏิเสธมันไม่ปฏิเสธมันก็อิ่มอยู่นั่นแหละคือถ้าทําถูกแล้วมันจะมีความอิ่มใจมีความสุขใจขึ้นมา แล้วถ้าทาให้ถูกมันก็ไม่อิ่มนะเช่นทําแล้วยังไม่ปล่อยอย่าเงี้ยเหมือนถวายของก็จับไว้อย่าเงี้ยพักก็รอจะเมื่อไรยังไปมันก็เครียดด้วยกันทนะั้งสองฝ่ายคนรักก็เครียดคนให้ก็เครียดคนเครีดก็ไม่คนให้ก็ไม่ยอมปล่อยนี่เสียดายมีสดาร์ก็ยังไม่ได้ให้ให้ไปแล้วก็ให้ไปเลยถ้าไม่แน่ก่อนจะให้ก็พิจารณาให้แน่ใจสิครับคนที่เราให้นี่เราพอใจแล้วเรามั่นใจไหะ ถ้าเราพอใจแนละ้วมั่นใจก็ให้ไปแล้วก็ลืมไปเลยต่อให้ใครมาพูดมาเล่าอะไรแล้วก็ไม่ไปนสนใจแล้วะว่าเขาจะแบบเอาไปทําอะไรก็รับรู้ไว้ก็แล้วกันถ้ามันเป็นความจริงเรามันจะไปทําในสิ่งที่ดีที่เราคิดว่าเขาจะาไปทําต่อไปแล้วก็ไม่ต้องให้เขาก็หมดด้วยแต่ไม่ต้องไปเสียใจเพราะการให้แต่แล้นี่มันได้บุญแล้วพอมาเสียใจนี่มันก็กลายเป็นบาปกลายเป็นความทุกข์ไป <c oughs> มันก็ลบบุญที่เราทําไปแต่ที่เมื่อกี้เข้าใจาที่ว่าให้ละบุญในขณะที่ยังไม่ถึงถึงถึงถึงจุดหมายปลายทางยังละไม่ได้บุญนี้ต้องต้องทําไปเรื่อยๆแต่ถ้<บ>าแบบ <า S 2> ไม่ยึดไม่ติดท่นเองไม่ยึดไม่ติดคือทําแล้วทําแล้วไปแต่ให้ยึดให้ยึดติดต่อการกระทําทําบุญต้องทําไปเรื่อยๆแต่ไม่ให้ยึดติดกับของที่เรา ใช่ไปแล้วพูดบางทีมันไม่เข้าใจในภาษา <c oughs> แต่บุญนี้ต้องยึดศินก็ต้องยึดสมาธิปัญญาก็ต้องยึดต้องทําต้องปฏิบัติมือนก็กินข้าวอ่ะถ้ายังไม่อิ่มมันกหยุดกินมันก็จะไปอิ่มได้ยังไงก็ต้องกินไปเรื่อยเื่อหรือเดินทางมาที่นี่ถ้าลงจากรถนี่มันก็มาไม่ถึงก็ต้องยึดติดอยู่กับมรรคก็คือบุญกุศลนี่แนะ่ะทานศีลภาวนา เป็นเหมือนกับรถยนต์เป็นเหมือนกับบันไดที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปหรือเป็นเหมือนยาก็ได้ถ้ายาเรากินยาก็ต้องกินไปเรื่อยๆจนกว่าโรคจะหายถ้าโรคไม่หายหยุดกินมันก็ไม่หายยิ่งจะว่ายึดยึดติดยาก็ว่าไปแต่ยึดถ้าเรายึดติดในสิ่งที่ดีมันไม่มันไม่ได้เป็นกิเลสมันไม่เป็นสมุทยัยมันเป็นมรย แต่ถ้ายึดติดในสิ่งที่ ท, ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยที่ทำแล้วเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสม่ห์ไทยเช่ น, นยึดติดสมบัติเข้าของเงินทองยึดติดร่างกายของเรายึดติดคนนั้นติดคนนี้อันนี้เราเป็นกิเลสแต่ถ้ายึดติดการทําความดีและความเชื่อการชาระกิเลสให้หมดไปจากจิตจากใ จ, จ, กใจไม่ไม่เลยเป็นกิเลสแต่เป็นธรรมะเป็นยา ภาษาบางทีมันพูดแล้วมันก็ฟังแล้วมันก็คนเอาไปเอาไปดิดผิวไปทำให้เพียนได้เิ่นความอยากไม่ดีผมอยากไปทำบุญวัดก็ไปไม่ได้ม <c oughs> ีช่องแนละ้วมีช่องคื่อหลางนี้มีช่อง <c oughs> <c oughs> เรื่อท่องคำในการอย่เช่นกรรมฐานห้าเจตรมนะคะทัามทไม่ได้ต้องอนุโลมปฏิยมรย้อนมาให้มันํานาญข้อหอนึ่งเดียวจังหวะตอนที่ท่องิดท่องคำเดียว อ, อ, องารณาตาเวลาอนาาุโล <ๆ S 1> มนี่บางทีถ้าทำไปแล้วมันจะชิ่ก็ให้ปฏิโลมเมื่อเมื่อมันไม่ชินมันก็จะต้องตั้งใจเจตอารมณมานะะักขันตาตาโจนี่มันง่า ย, ยแต่พอท่องกลับนี่มันยากมันก็ต้องมีสติ มีความพยายามมีใจจดจอ่อมากขึ้นเห็นถ้าเราท่องเจสามานากขาดันตาตะโจแล้วก็ท่องเทอสาไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะชินเห็นท่ า, านก็เลยมีอุบายให้ใหปติโลมเมปฏิโลมนี่มันจะท่องแบบนกแก้วไม่ได้มันต้องให้กลับมาต้องคิดแลนะ้วเนี่ยตะโจแล้วบางดัดนตาต้องนักขาโลมาต้องเจสา ทุสติเอไม่ให้แบบว่าท่องแบบนกแก้วเ่โดยหลักก็คือให้ให้จิตมันไม่ไปคิดมันเป็นเหมือนกับเสาผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องรูปเรื่องแม่เรื่องพ่อเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรต่างๆให้อยู่กับธรรมะไม่อยู่กับธรรมะแล้วความอารมณ์ต่างๆมันก็จะสงบโดยปริยาย อารมณ์มันเกิดขึ้นจากเราไปคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้เพียงแต่คิดถึงคนที่เราไม่ชอบนี่ก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วะเราต้องพยายามแค่เบ่งกิตให้ออกจากอารมณ์ต่างๆด้วยการอาศัยการบริกรรมโดยการเจริญภาวนาทําบทใดบทหนึ่งที่มีทั้งสี่สิบบทด้วยกันแล้วแต่จะทุกจริต ก, กับเราบางคนก็ชอบบริกรรมพุทโธพุทโธ คนก็ชอบสวดมนต์เอทีพิโซอา ล, ลังสามมาก็ทาไปได้บางคนก็ชอบดูลมหายใจเข้าออกอย่างอาตนาในตอนต้นเวลาจะดูลมมันรูเสึกว่าจัดจิตมันยากดูไม่ทันดูว่ามันไม่อยู่มันจะไปคิดเรื่องนั้ น, นเรื่องนี้ก็เลยสวดมนต์ไปหางใจดูไปแักครึ่งชั่วโมงแสี่สิบนาทีอาตนั้นมันนั่งรู้สึกยาก จะอยากจะหยุดส่วนก็เลยมาดูลมต่อจิตมันจะสงบจนลงในระดับหนึ่งบางคนก็ถนัดเมยกรรมคำว่าพุโทโธอย่างเดียวพระบางองค์นี่ท่านจเจริญพุโทโธตั้งแต่ตื่นถึงหลับเลยไม่ว่าท่านจะทําจิตอะไรท่านไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดเรื่องอื่นเพื่ออาจจะคิดบ้างแต่ส่วนใหญ่จะอยู่กับพุโทโธอยู่เรื่อยๆคิดอะไรเสร็จก็กลับมาพุโทโธพุโทโธก่า ถ้าไม่มีจำจําเป็นจะต้องคิดอ้ไโตัวก็โทรอยู่นู่นนี้คอยสกัดไม่ให้มันตะคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ <c oughs> เมื่อจิตมันไม่มีที่ไปแล้วมันก็จะสงบตัวเลยตอไปมันก็ง่ายพอมันสงบขั้งแรงแล้วต่อไปจะทําำมันสงบมันก็ยังง่ายเพอเราเกิดความชนานาญแล้วพลังจิตพลังของธรรมน่ะมันจะมีมากขึ้น <c oughs> ตอนมันยากตอนต้นใช่ไห ตอนที่ยังไม่เห็นผลมันก็ททำ ง, งานแล้วไ ม, ไม่ได้รับเงินเดือนตอนนั้นมันโอ้โหมันวุ่นวายใจเอเขาจะจ่ายให้เราหรือเปล่าเนี่ยทำไปททาเป็นแทบตายแต่พอเงินเดือนออกมาข้างล่างนี่โอ้โหทีนี้มีความมั่นใจแล้วมีความพอใจที่จะทำ ต, ตอนมันจะยากตอนแรกตอนที่ทำไปแล้วมันล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่ตั้งไปแล้ว แต่วิจิมมันก็ได้งแต่มันไม่เป็นผลแบบเป็นกรอบเป็นกรรมหรืออย่างน้อยก็ได้คือเราได้ต่อสู้กับมันเมื่อก่อนนี้เราแพ้มันตลอดเราเป็นลูกเป็นลูกจอกมันตลอดมันสั่งให้เราไปไหนทําอะไรเราต้องไปทําให้มันตอนนี้เราปฏิวัติแล้วเราเราฝืนมันละต่างให้ไปดูหนังก็จะนั่งสมาธิแทนต่งให้ไปกี่เลี้ยงก็ไม่ไปจะอยู่บ้านฟังธรรมะอะอย่างนี้ นล่นก็เป็นการฝืนต่อสู้กับมันไปถ้าเราไปต่อสู้กับมันก็ไม่มีทางที่จะเชนะมันได้ถึงบอ่อยเวลาเกิดความท้อแท้ท่านสอนพระว่าให้ให้จเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณให้เราเล่นถึงพระพุทธเจ้าแบบฉบับแบบ ช, ชีวประวัติของพระพุทธเจ้าชีวประวัติของพระสงค์ว่าท่านดําเนินมาอย่างไรท่านต่อสู้กับมันอย่างไร ถ้าเราจะมีกำลังคิตกำลังใจล้วท่านเหล่านั้นท่าก็เป็นคนธรรมดาสามารถนั้นเราท่านก็ไม่ได้เป็นผู้พิีศษพิเศษว่าอะไรกะมาเกิดก็มีที่เลสเหมืนกันเฉยๆท่านมีความรู้มานะท่านมีความอนะดทนท่านสู้ไม่ถอยเพราะใช้ก็พัก ห, หนะ่อยมาได้เพราะหายเพราะใช้ก็เริ่มต่อแต่พยายามทำเราเคยทำอะไรได้แล้วก็พยายามรักษามันไว้อย่าไปหยุดมัน ก็จะหยุดนะมันเหมือนเดินถอยหลังพอวันต่อไปจะทํามันมันจะยากขึ้นถ้าเคยนั่งได้สิบห้านาทีก็นั่งไปแต่ไม่นั่งแล้วมันจะฟุ้งซ่านมันจะอะไรก็อย่างน้อยก็ขอให้นั่งดีกว่าไปเปิดทีวีดูไม่ไม่นั่งมันเลยเพราะจิตบางวันมังมันก็ว่านอนสอนง่ายบางวันมันก็มันก็วุ่นวายมาจากเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ยุ่งยากบางวันนั่งแล้วไม่สงบเลย พอนั่งเราก็คิดแต่เรื่องอปัญหาต่งางๆที่มันหนุนเราอยู่แต่ก็นั่งวนไปอย่างน้อยก็ให้มันมีกิริยาการมของการต่อสู้ให้บ้างอย่าบาบนอนง่าก็นับสิบไปเลย <c oughs> แล้ววันข้างหน้าพอพ อ, พ อ, พอมันว่านอนต่อง่ายเกาทําต่อมันก็จะได้เองเหมือนจะคนที่เข้าไปตกปลายบางวันเขาก็ได้ตัวสองตัวบางวันเขาก็ได้มาสิบตัวยี่สิบตัว ก็ไม่แน่นอนการปฏิบัติมันก็มันก็นกยังล้มทุกขา์าได้บ้างไม่ได้บ้างแต่อย่าท้อแท้เวลาไม่ได้ก็อย่างนั้นก็รู้ว่าเราได้ปฏิบัติเนยราได้ปฏิบัติเราอยังได้นั่งยังได้ทํอยางอ่นอย่าหยุดก็แล้วกัน <c oughs> อย่ายกทงขาวเราพอแล้วไม่เอาแล้ะไปเที่ยวดีกว่าไปฉลองให้มันเต็มที่เลย ี่ทบอกให้จิตดูกายหรือว่าให้ให้จิตอยู่ที่กายนี่หมายถึงว่าที่เราแบบว่าให้จิตให้ให้พิจารณาให้พิจารณาเรื่องของกายเช่นเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เรื่องของกายอาการขาสิบสองก็เรื่องของกายเกิาลงมาน้าขาบันตาตาเจ้านี่ก็เรื่องของกายแล้วดูเวลาเรากําลังทําอะไรอยู่นี่ก็เรื่องของกาย กำลังรับประทานอาหารกำลังเขียนหนังสือกำลังล้างถ้วยล้างชามก็ให้อยู่เฝ้าดูมันเหมือนกับเราเป็นร่างกายเป็นเหมือนกับนักโทษเราเป็นเหมือนกับยามอย่าให้มันคาดสายตาอไา้ออกไปคนอย่ายามไม่ค่อยดูร่างกายอะไรมันนั่งล้างชามที่กินข้าวมันก็ไปคิดถึ ง, งนู่นคิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้แสดงว่ายามไม่ได้เฝ้าร่างกายเป็นการยักตาสติปัฏฐานคือการตั้งสติให้รู้ยิ่กับลม เรื่องราวของร่างกายพระเจ้าสอนว่าอยากจะมีสตินี้ให้ตั้งอยู่ในสี่สี่สี่สจุดด้วยกันคือกายเวทนาจิตธรรมกายก็อย่างที่บอกเนี่ยคอยเฝ้าดูร่างกายไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทใดก็ตามไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้เฝ้าดูมันอยูตลอดเวลาเดี๋ยจะดูอาการต่างๆของร่างกายซ้ำอกสองก็ท่องเที่ยวในกายและคอยอยู่ก็ได้ เราจะดูสภาพที่มันตายไปแล้วเวลามันตายไปแล้วมันตายเป็นยไไังไงก็ก็ยังอยู่ในกายอยู่เอาน่าถ้าอยู่ในวทนิทยาให้ดูความรู้สึกขณะนี้นำมันทำรู้สึกอย่างไรสนุกไหมยึทุกหรือไม่สุกไม่ทุกก็รู้มันแล้วเดี๋ยวมันจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดไหมมันไม่ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปจากไม่สุกไม่ทุกเดี๋ยมันก็อาจจะไปสุกเดี๋ยวจากสุกเดี๋ยวมันกลับมาที่ทุกข์เขารู้แล้วไม่ต้องไปจัดการกันมัน แต่อย่าไปมีปฏิปิยากับมันให้รู้เฉยๆเฝ้ามันมันทุกข์ก็รู้อย่าไปรังเกียจมันอย่าไปโกรธมันอย่าไปขับไล่สายส่งนะอย่าไปบนี้อยากมันอย่าไปอยากให้มันหายไปเวลามันสุขก็อย่าไปอยากให้มันอยู่ไปตลอดเพราะมันไปไปมาๆของมันอีูอย่างนี้เรามีหน้าที่ดูทังนั้นเองนี่คือการมีสติอยู่กับเวทนาคนอยู่ที่จิตก็ให้อยู่กับอารมณ์ตอนนี้อารมณ์เป็นยังไง อารมณ์ว่ามุ่มมนขุนัวหรือเปล่าพุ่งสร้างหรือเปล่าดีใจเสี ย, ยใจโกรธโลภหรือเปล่าสงบ<ล>นิ่งสบายหรือว่าอะไรต่างนี่คือาการรู้อารมณ์ของของเราแล้กำลัง ค, คิดนะคะไม่ให้ดูอารมณ์ไง<ม><ม>ให้ดูอารมณ์ดูอารมณ์มที่เรากาลังเป็นอยู่ขณะนี้ถามตัวอะไรตอนนี้เรามีอารมณ์อย่างไรตอที่เราไม่รู้สึกตัวใช่ไหมเวลาเราเกิดเพราะเราไม่มีสติ พอโกรธก็หลุดเลยนอนหลุดเลยเระบายออกไปเลยพูดไปว่าไปทาไปแต่ถ้ามีสติก็มียางคอยเฝ้าบอกให้ hey, มันกำลังกลนะโกรธนะโกรธังไม่ดีอย่าไปทำอะไรอย่าไปพูดอะไรตอนนี้ไปนั่งอยู่ในห้องน้ำเพื่อสงบสติอารมณ์ซะก่อนให้มันหายโกรธซะก่อนแล้วค่อยออกมาเจอหน้าคนเริ่มเรการรู้รู้อารมณ์รู้จิตนี่ยตอ ให้อยู่กับธรรมก็คือเช่นฟังธรรมะนี้ก็ฟังเทศฟังธรรมนี่ก็จิตก็อยู่กับธรรมะแหละหรือพิจารณาธรรมพิจารณาใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาทนี่ก็เรียกว่าอยู่อยู่ที่ธรรมนี่คืองานทั้งงานสี่ชนิดที่เราควรจะให้จิตอยู่แต่เราถ้าจะไม่เคยอยู่กับมันเลยส่วนใหญเราจะไปอยู่กับลูกอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับน้องอยู่กับพี่อยู่กับเพื่อนอยู่ที่งานอยู่กับเรื่องราวต่างๆแล้วก็วุ่นวายตามไป แล้วก็ไม่เข้าใจถึงความจริงที่มีอยู่ในตัวเราพอมันเป็นอะไรขึ้นมาก็ว้าวุ่นข น, น่นงัวเลยแต่ถ้าคนมีสติ<ม>พอเกิดทุกเวทนาขึ้นมาก็บอกเออเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายมันไม่เป็นไปตลอดหรอกเวลาเกิดสุขเวทนาก็คอยสะ ก, กิดตัวเองว่าอย่าไปยินดีมากเดี๋ยวมันก็หมดมดีใจเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วใช่ไหมเวลาใครก็พูดอะไรถูกผู้ถู ก, ถ, ก, ถ, กถูกใจหน่อดีใจ อย่าไปเจอคนก็พูดไม่ดีข้าวฉังไหนเหราก็เสียใจนะเยามันเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆพยญญาพฤกษ์เป็นผู้รู้เป็นคนปัญญาอย่าไปได้ไปเสียกับสิ่งที่เราเราดูเพียงแต่ให้รู้ทันมันรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อาจารย์บางครั้งเนี่ยเราก็พิจารณากายอยู่บางทีพิจารณาผมอยู่ค่ะป ร, ะกรากฏว่ามันเหมือนมีตาเนี่ยมันมันโล่ออกมา แวบออกมานี้เน so, so, so hey, ี่ยเราควรจะไปอยู่ที่ตรงไหนคะขณะที่เราพิจารณาผมนะก็ได้ทั้งสองแห่งมันก็ยังเป็นไกลพอเวลาตายพอแล้วตายมันคงจะเป็นอย่างเนี้คือคือเห็นเหมือนเหมือนกับมันแวบขึ้นมาว่าตาเรากําลังถลนออกแต่ว่าเราก็ยังดูเรื่องผมของเราอยู่ก็แล้วแต่เราแล้วแต่เราจะสะดวกได้ทั้งสองอย่างได้้อ่างเดวดูที่ผมต่อแล้วได้หรือว่าถ้าตามันมันมันเป็นพระเอกแล้วผมมันเป็น ถ้าลองแล้วก็ต้องดูที่พระเอกก่อนตัวไหนมันแรงกว่ามันจ ะ, สะแสดงอาการให้เราเห็นก็ดูมันไปแต่เราไม่ต้องไปดีใจสีดใจไปตกใจอะไรประมาณคือก็บางทีมันก็เกิดเอ๊ะเราก็เลยว่าที่จะไปพิจารณาตรงไหนเพราะว่าเรากําลังพิจารณาเรื่องผมที่มันจะร่วงลวลนอะไรอย่างนี้ไป ต, ตามก็แวบๆเข้าแล้ว ต, า, ต, ตายไปตามนีน่อาจจะหลุดออกมาจากบ้านก็ได้มันกําลังจะถลนออกแต่ว่าเอ๊ะก็เลย แว็บเข้ามาว่าจะไปไหนปีน่ะได้ไดั้งสองงานเอาได้ทั้งสองได้ทั้งสองงาอันด่วนมันต้องเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันไม่ช้าก็เร็ว <c oughs> อันนี้ก็พูดยายนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เห็นว่าคุณตูต่ก็จะมาเลยเนีย่ยเไม่ทำงานเนย คงทำเป็นบางวันแต่ตอนนี้ก็จะละออกแล้วสบายตอนี้สบายก็เนี่ก็บอกว่ามันก็เป็นด้วยกันทุกคนละเรย่อยๆนะเนี่ยเป็นก็ดูแลรักษาไปกายก็รักษาไปให้หมอดูแลไปใจแล้วก็ดูแลเอาธรรมะมาดูแลรักษาไปอยากจะแยกใจออกจากกายด้วยการภาวนา ในการจะเรานิปปชนาใจไม่ตายใจเหมือนกับกระสขึ้นที่เข้ามาขึ้นโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ตายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บมันเป็นของที่อยู่ไปตลอดทางันตรการร่างกายมันก็ไม่ได้ตายมันก็เป็นการแยกของธาตุสี่ธาตุมันเคยมาอยู่รวมกันตอนนี้มันขอแยกทางกันเหมือนกับสามีภรรยาเขอยู่ร่วมกันตอนนี้ขอแยกทางกันสภาพของความเป็นสามีภรรยามันก็หมดไป เมื่อธาตุสี่น้ำมารวมกันให้เป็นผมฟันเล็บฟันหนังเมื่อถึงเวลาที่มันจะแยกกันสภาพของผมฟันเล็บฟันหนังมันก็หมดไปส่วนที่เป็นน้ำมันก็กลับไปสู่น้ำส่วนที่เป็นลมมันกลับไปสู่ลมดงนั้นมันไม่มีอะไรตายมันมีการรวมตัวแล้วก็แยกตัวกันไปได้มันไป็นหลงก็วุ่นวายที่วุ่นวายเนี้ไม่ใช่ร่างกายวุ่นวายที่วุ่นวายก็คือใจแต่ใจไม่ได้เป็นอะไรเลย แต่เพราะความหลงเพราะความขาดปัญญาที่ปฏ so. mm ิบ hmm. so wow. mm ัติเพื่อสอนใจเพื่อเบรกใจไม่ให้ไปไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆก็เหมือนกับคนอยู่กรุเทศแล้วทิ้งบ้านไปอทิ้งบ้านไปอยู่พัทยาแล้วทิ้งบ้านไปอยู่กรุงเทพไปถึะแล้วพอดีบ้านน้าท่วมคนโทรศัพท์ไปบอกโอ้เป็นจะตายให้ได้ ตายแล้วมันทําอะไรได้ป่ะมันก็ท่วมแล้วทำใจเย้ยเฉยดีกป่ะไม่ขาดทุนนี่เสืยสองตอนไหนน้าจะท่วมบ้านแล้วใจต้องมาทุกขออ์ประมาณ น, นี้ทุกข์แล้วไปทําอะไรได้ป่ะก็ทำไม่ได้เมื่อกี้นี้ไม่รู้เรื่องก็ไม่เห็นเดือดร้ออะไรพอคนโทรมาบอก้ทั้งๆ ท, ที่ไม่เห็นก็ยังไปเชื่ อ, ขอเขาเลยก็ช่หลอกเราอ่ะเราก็เราทุกข์เล่นๆเลี่ย ใจมันโ ง, ง่นะอะไรนิดอะไรหน่อยโอ้ก็ไปแล้วใจไม่มีความหนักแน่นไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิใจเหมนเหมือนเหมือนปวยนุ่นพอลมพัดมาแผ่วเบามันก็เปรียวพอมีอะไรมันกระทบหนักไปแล้วแต่ถ้าคนฝึกสมาธิป no e ัญญาแล้วจะมีความหนักแน่นเหมือนกันไอในที่านเรื่องกระต่ายตื่นตูมกระตายกับราชสีห์สั่งกันนะ ตายนอนอยู่ใต้ต้นตาลต้นตาลหล่นลงมาเขาคิดว่าโลกถล่มแล้ววิ่งหนีวุน่นวายสรรัตว์อื่นก็หลงเทื่อตามเลยเจอพญาราชสีห์ก็ถามว่าไปไหนกันมาเขบอกโลกจะถลม่มโลกโลกมันถล่มแล้วพญาราชสีห์ว่ามันถล่มตรงไหนไห้นพาไปดูสิก่อนที่มีสติมีปัญญายก็เหมือนกับราชสีห์มีเห็นมีผนเมื่อตื่นไปตาม ตื่นมงคลทั้งหลายที่ตื่นเข่าวตื่นมงคลทั้งหลายว่าใครก็ว่าที่ไหนดีโอ้โหแย่งกันไปไ ป, ไปเหยียบกันตายที่นั่นน่ะมาใช้ปัญญาพิเนาเพราะไม่มีไม่ได้ศึกษาก็ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมัวแต่อับเทมอับเดียไม่อับที่ใจไม่เอาความรู้เข้าสู่ใจ การความรู้งั้นเวลาต้องการความรู้ต้องไปนค้นหาในเทปอยูอง่งหมดเลยใ น, ในที่อา่านแต่ถ้ามันอยู่ในใจแล้วพอเราเข้าใจแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดเลย <c oughs> แต่อานาได้นี่เป็นอะไรหรเพื่ออาไปให้คนอื่นได้ยิยนได้ฟังคนที่เม่ีโอกาสมนาะแต่ขณะที่ฟังนี้คนจะตั้งใจฟังหวังว่าคงจะได้ความรู้บ้างในวันนี้นน <c oughs> ได้มากก็น้อยโอเคนี่แหละนะ ใจแล้วนะคะแต่ว่าสวนท่นาารกไม่รู้ล่ะให้อะไรล้วอย่าไปอย่าไปไ้ถวายให้ได้แต่อย่าไปอย่าไปบังคับคนแล้วว่าจะต้อง นีพี่น้องไม่ได้มาเลยไม่ได้มาจังแรกแรกเลยไม่ใช่เอไม่ได้พี่น้องเอไม่ได้ไไดไไดไกันพี่กับพี่น้องเห็นหน้าตาใกล้กัน <c oughs> เป็นไงสมาชิกใหม <c oughs> เดือนเจ็ดือนแปอ๋อองเดือนถอนมาแล้วใช่ไถอนาลที่เ่ได้ส่งไปให้คนชื่เขาถอนแล้วใช่ไอันนี้พี่ดวเอามาให้เดือนเจ็ขึ้นเดือนแล้วเอนอันนี้กำลังทำเดือนเดือนแปดอยู่เนาะที่ยิบเจ็ดเกือจะเสร็จละอันนี้ะอ่าเดือนปอะเอ ดีขึ้นมางแต่อนนแ s <S ตอนนี้อยู่ช่วงกลางวันแล้วเย็นๆก็ลงไปสงน้ํปาดูดบกมีปูชากันเทศตรงนี้ดูดิฉ่ายตัวตา ดีก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้เทในันี้่่ได้หนังสือเมาจนงืออยู่จ uh uh ่อเคว่าเป็นประโยชน์ทั um ้งคนฟังวันนี้แล้วก็คนที่จะได้ที่ได้ฟังได้อ่านต่อไปเพราหนังสือที่ทำมาทั้งสี่เล่มนี้คนเขาชอบมากมีคนมาถามเีอเขาอยากจะพิมพ์เอามาแจกเขาชอบเล่มหนึ่งมากเมื่อวานนี้ เลให้เขาเล่นหนึ่งอ่ให้เขาไปหาเบอร์โทรศัพท์คุณตุกแล้วให้ไปติดต่อทางคุตกคุต้องพิมพ์เปิดจะพิมพ์ร่วมร่วมกันพิมพ์ก็ได้ก็ได้เขาเขาบอกพอเล่นสามเล่นสี่รู้สกวมันยากขึ้นพอเล่นสองดีก็คนอ่านแล้วก็มาปฏิบัติด้วยใช่ไหมเรื่องการซื้อนี่มา มันพูดพูดพูดจากประสบการณ์แล้วก็ในฐานะที่เรามีความคล้ายๆว่ามีพื้นพื้นเพย์เหมือนกันพูดแล้วมันเข้าใจเราเคยเรียนหนังสือมาด้วยกันเคยผ่านอะไรมาคล้ายๆกันพอพูดเรื่องอันนี้แล้วมันก็ทําให้มองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นอะไรก็อาจจะได้ประโยชน์ทางด้านนี้อันนี้จะให้พรนะ ยะถาวะริวหาปุราภิริปุเรนติสักขันเอวเมวะอิโตตินังเซตานังอุปการปติอิจิตังปติตังตุมหังเกต้าเมวะมณิจตุสะเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยะถาเนมิโชติรโสยะถาสักพิจิโยวิวัชันตุ สัพโรโควินาศตุมาเตผวตนดรารโยสุขีที่ขายววุโกภะอาคิวะทันสีริตจะมิจังมุธาปจายโนจตารโหธรรมาวะทานติอายุวมนุสุขาาางังภาลัง มีงานกิจกรร้อีกทีเดียวค่เขียนของคุณสมบัติกับคุณสมบัติย่างเดียวแผ่นีหรอาลองพลาค่ะทแ้วซื้อมาใหญ่ไปปีนี้ได้ย่าง อย่ากังวลเลยเพราะว่ารองเท้านี่ถ้ามันซื well ้อแบบที่เราไม่ใส่เราก็ไม่ใส่แล้วมันมีแบบนี้ก็มีมีอยู่ต้องหลายคู่แล้ะเอาซื้อยังอื่นดีก่าเดี๋ยวผมกดมีมีอยู่หลายคู่แล้วเนี่ยแล้วก็ปีนี้ก็จะเปลี่ยนสักคู่นึงที่ท่านเคยเป็นยังไง เน่นที่เห็นอย่างนี้มันอาชันที่ไม่ใช่แบบนี้ที่ท่านครับแย่างนี้ท่านมีอยู่หลายคู่อก็จะใส่ตั้งแต่บวมมานี่ก็ใส่แต่แบบนี้มาตลอดอย่างนี้มันสะดวกเพราะว่ามันเป็นเป็นยางอย่างนี้ฝนตกอะไรมันก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเป็นทั่วรองเท้าหนังที่เป็นหนังนี่มันโดนโดนน้ำโดนฝนแล้วมันมันจะเสียเรองเท้านี้่ขอผ่านนะ เ <c oughs> คยถวายมาก็ได้แต่ถ้ามันไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยใส่เราก็คงจะไม่ได้ใส่ถวายได้มันก็ได้รับไม่ได้รับไม่ได้แค่นั้นแหละแต่จะได้ใช้ไม่ใช้ก็มันก็ใช่ไหมคนซื้อคนซื้อไม่ได้ใส่คนใส่มันไม่ได้ซื้อบางทีมันก็ลําบากเหมือนกันลองบางเส้นเกยเราซื้อเสื้อผ้าแล้วให้คนอื่นซื้อให้เราใส่เราก็ตลำบากเลือกซื้อของน้อยใส่อใช่หีหย <c oughs> yeah. เราฆาสถิตของที่เรานี่นย้อมจริงจรเยะได้ใยอมเหมือนกันต้องต้องต้องยอมเหมือนกันคือก็ต้องเอาผ้าขาวมาตัดมาส่ายในภายในวันเดียวกันใช่ไหมใช้เป็นส่นหนึ่งแ้วใช้แก่นขนก็ ท, <c oughs> ทั้งแก่นข น, นทั้งทั้งสีกลับะไรผสมกันเพราะว่าแก่นขนุนมันมันสีมันไม่เข<อ>้มข<อ>้นพอถ้าเราใส่สีย้อมที่เขาใช้กันเหมือนที่ใช้ตามวัดป่านะ แต่ตัวก่บบนขนมไม่ไม่ไม่ได้ใช่ เ, เป็นสีแก่นขนมใช่ไหมคะแก่นข น, นมันเป็นมันก็เ ป, นเป็นเป็นพื้นเป็นสีพื้นืๆน่ยแต่ถ้าจะให้มันสีออกมาเป็นแบบนี้มันต้องอาศัยสีถ้าสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านอาศัยเอาอิฐแดงมาขูดละลายน้าแล้วผสมกับสีกลับมันก็จะออกมาเป็นสีส้มๆแต่มันจะไม่ออกมาเป็นสีแบบนี้แต่ก็พอพอพอใช้ได้น่ะ นี่สมัยนี้เขามีสีเป็นสีเป็นกระป๋องสี่นขนุนก็สีกลักเรื่องใหญ่บองทีก็มันมีเขาจะถ้าเป็นสีผสมเนี่ยก็เขจะใส่ทั้งสีเหลืองสีเหลืองทองนะแล้วก็สีกลักหรือสีแก่นขนุนก็ได้แล้วก็ผสมกับน้ําน้ําน้ําแก่นขนุนน้ําที่ต้มด้วยแก่นขนุนแล้วก็มีไอ้ดิน ไอไออิดสีแดงที่ามาฝนหินสีแดงมาฝนน้ําก็จะผสมกันก็จะออกมาอย่างที่อย่างที่หลวงตาใ ส, ส่หือมันจะออกต้องมีมีทั้งน้ําที่ต้มด้วยแก่นขนุนแล้วก็มีอิดอิดทีที่มาฝนฝนกับ น, น้ําแล้วก็มีสีทองสีเหลืองทองแล้วก็มีสีกะผสมเข้าไป มีอยู่สีอันด้วยกันมันถึงจะออกมาเป็นสีที่ใช้กันอยู่ทุกวันมดน้นัาก็เ ป, เป็นต้นไม้นเนเี่ยต้นขนมเนี่ยที่เขาตัดเวลามันตายเลยเขาตัดทิ้งมาแล้วเขาก็าจะเอาเอาตัวเอาเอาตัวต้นลำต้นไม้เนี่มาเอาเอาเปิดออกเอาเอาผิวมันออกแล้วเขาก็เอากบมามาใส่หรือบางแห่งเขาก็าเอามีดมามาฟัน แล้วก็เวลาต้มน้ําก็มีหม้อใหญ่ๆเหมืนก็หม้อที่เราขายก๋วยเตี๋ยวเงี้ยแล้วก็เอาแกงกระนึ่แช่เข้าไปแล้วก็ต้มให้มันเดือดเคี่ยวมันให้มันให้น้ําให้ให้เนื้อของแกงกระนึ่มันออกมามันก็จะออกมาเป็นสีเวลาเวลาเวลาพอเอาผ้าขาวไปไปไปแช่กับน้ําแกงกระนึ่อย่างเดียวมันจะออกมาเป็นสีเหลืองอ่อนๆอย่างเี้มันไม่พอมันมันมันมันสีมันมันไม่มันมันไม่ ค้ำพอก็เลยต้องใช้อาศัยสีพวกนี้เข้ามาบางทีแต่ผ้าปฏิบตัติท่านจะซักผ้าจีวรด้วยน้ํากันขนุนท่านจะต้มน้ําซักผ้าแต่ไม่ไม่ไม่ซักน้ําเย็นเพราะว่าท่านไม่ได้ไม่ได้ใช้หนึ่งไม่ได้ซักทุกวันเนี่ยจีวรของผ้าปฏิบัติบางทีทุกสองอาทิตย์จะจะซักกันพักครั้งแล่วที่ซักคุณประจําก็คือเป็นพวกอังสาบครับผ้าอาบน้ําฝนที่ใส่ เวลาอยู่ที่วัดแล้วใส่ทํางานทําการปัดกวา ด, ดล้างวัดทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ผ้าทิ้งผ้าคลองนี่จะซักประมาณสักสองสองอาทิตย์ครั้งเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้อะไรกัเท่าไหร่ใช้แต่เฉพาะตอนเช้ามินเทา่าไหร่ขณะที่ฉันนั่งผ้าปฏิบัติถ้าไม่มีกิจอย่างอื่นไม่มีการ อ, อไปสวดไปทําอะไรก็ไม่ได้ห่มส่วนใหญ่ก็จะใส่แต่อ่างสะกับผ้าสภาพ น, น้าฝนไม่ผ้าสบง เวลาซักทันเพราะว่าถ้าไปซักน้ําเย็นปับไอ้ไอ้สีแก่กันหนุ่มนี่มันมันมันจะจางไปจางไปเรื่อยๆการแต่ะอะไรต้องใช้พราะรู้สึกว่าเขาถือว่าแก่กันหนุ่มนี่มันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นซักฟอกกันในตัวใช้น้ําร้อนมันมีสารอะไรที่จะช่วยกาจัดอะไมันก็เป็นผงซักฟอกอนะไรเงี้ยกำจัดกลิ่นกำจัดกรดสกปวกของของเนื้อผ้าออไป มันชื่อกถนนไงต้นถนนเนี่ยต้นขนน่ต้นขนนเนี่ยก็แก่นของมไงแก่นของแก่นของต้นขนนไงก็คือเนื้อไม้เนื้อไม้ของต้นขนนนี่บางแห่งก็ใช้ใช้กบสามานี้มีกบไฟฟ้ามันง่ายก็เลยแล้วเวลาใช้กบเนี่ยมันเวลามาต้มนี่มันจะออกมาเร็วเพราะมันบางไงแต่ถ้าเราฟันเป็นชิ้นๆนี่บางทีต้มต้องนานกว่า ไอ้ไอ้เนื้อไอ้น้ำของที่ในในแกนมันจะออกมากับน้ํามันจะใช้เวลามากสมัยนี้ก็เลยใช้กบเมื่อก่อนนี้ไม่มีกบไฟฟ้าก็ใช้กบมือ <c oughs> กันเราจะมีเวลาเป็นช่วงช่วงที่พระจะต้องมาทํากิจพวกนี้กันหาฟืนหาหาไม้ที่จะมาทําได้กว่าแล้วก็มาใสแกนขนุนแกนเตียนเก็บไว้ในตู้ ทำตู้ไม้ใหญ่ๆแล้วก็สายแก่นขนุนเก็บไว้พอถึงวัวนที่จะซักก็ใช้ได้เลยไม่ต้องไป <c oughs> คือรสึกว่าทางภาสายปฏิบัตินี้ท่านจะเน้นแบบว่าพึ่งตนเอ ง, งไม่ต้องไปอาศัยร้านขายของที่เขาขายของกันเพราะของที่เขาขายทุกวันนี้เอามาห่มไม่ได้หรอกผ้าก็มันไม่ได้ขนาดะ มันสั้นจุดจุมันอะไรก็ไม่รู้ใส่ ไ, ไม่ได้ถ้าปฏิบัติท่านจะทาทุกอย่างเองที่พระจีวรทั้งหมดถ้าที่ท่านใส่ปรดก็ทำเองทลกบาทก็ทำเองที่เชิงบาทก็ทำเองบาทสมัยก่อนจะต้องเอามาเผาก่อนก็เผากันเองสมัยนี้ไม่ต้องเผาเพราะ ว, ว่ามันเป็นบาตรสเตนเลสที่เขาเผาเพื่อจะให้เหล็กนี่มันมีมีผิวเคือบผิว เกิดขึ้นไว้ป้องกันเนื้ อ, เ น, อเนื้อเนื้อเหล็กเพราะเนื้อเหล็กสมัยก่อนถ้ามันถูกน้ำแล้วไม่แห้งมันจะขึ้นสนิมนแล้วถ้าเ อ, อาใส่อาหารเข้าไปในบาตแล้วก็กินพวกสนิมเข้าไปด้วยแต่สมัยปัจจุบันนี่เป็นเหล็กที่ไม่ขึ้นสนิมเหล็กสแตนเลสเกินไม่ต้องวันนี้ก็ใช้แบบ พ่นสีเอาข้างนอกให้มันดูเหมือนก็เป็นเป็นบาทเผาแต่ข้างในก็เงาวับเลยเนี่ก็เกลดเล็กเกน้อยนี่หมดถัง้่ง้ เ, เ, เดี๋ยวเนี่ยแจกจะขอแจก <c oughs> ี็ของเรานะไม่ใช่ของโยมนะ อยากจะกินก็ไปกินเงาถ่ายไนี้ของยาติโยมมาใช่ยาวคืนไปนะเดีย๋ยวถ้ายาวคืนก็ถ่ายออกได้นะเดี๋ยวช่วยเอาของนี่ไปวางที่ข้างๆประตูข้างๆ ถ้าญาติโยมมาคืนก็คืนได้ก็ได้ไม่มีอะไรนะ